มีคำถามเข้ามายังมีมาแล้วค่ะ เ, เดี๋ยวถามเลยเมามู้จะพูดอะไรแล้วคำถามจากคุณอาชานั่งสมาธิจะหลับพอริทยาพอริทยาเสมอเดินจงกรมทำจิตให้นิ่งยากทุกวันปฏิบัติโดยดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นหมั่นเตือนตนเช่นนี้นับเป็นปฏิบัติทําไใหม่คะ่ะ และหากเป็นใช่ชวิปัสนาหรือไม่เจ้าคะมันก็ดูที่ว่ามันทำให้เราดับความไม่สบายใจต่างๆหลับความอยากต่างๆได้หรือเปล่าถ้ายังละความอยากอะไรไม่ได้เลยก็ยังไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรก็ดูว่าเราถือศีลแปลดได้หรือไม่เครื่องวัด การปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติได้จริงเราก็ต้องรักษาศีลได้เห็นศีน 5, ลห้าเรารักษาได้เบอร์สุดรู้ไหมศีแลแปดเราได้ไหมอันนี้ก็เป็นตัววัดผลของการปฏิบัติอย่างหนึง่งเพราะว่าศีลนี้ก็เป็นตัวที่จ ะ, ะกันไม่ให้ทํา ความอยากต่างๆทำตามความอยากต่างๆถ้าเราดูจิตเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องหยุดมันได้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาถ้าดูอย่างอื่นก็อย่าไปดูให้เสียเวลาดูอารมณ์ขึ้นๆลงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์มันก็เป็นปกติมันก็อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โลภอารมณ์โกรธ ที่เวลามันอยากจะไปทําอะไรเราหยุดมันได้หรือเปล่าจนอยากจะกินขนมอยากจะดืม่มเครื่องดืม่มในเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้มันรับประทานนี้หยุดมันได้เปล่าทีเา่เราเราเราตั้งกฎไว้แต่ว่าต่อไปนี้ถ้าจะกินอาหารถ้าจะดืม่มน้ํานี่ต้องทําเพื่อร่างกายของเราไม่ได้ทําเพื่อความอยาก ถ้าทําเพื่อร่างกายก็ต้องกินเหมือนยาหมอเขามียาให้เอามาหมอไม่ได้บอกว่ากินตามความอยากนะอยากจะกินยาเมื่อไหร่ก็กินยา ก, ก็ต้องมีเวลากินสามมือ้อก่อนนอนนี่ถ้าเราอยากจะวิปัสสนาเราก็ต้องมาเบรคความอยากกิน ให้มันกินเพื่อร่างกายอย่าให้มันกินเพื่อความอยากเพราะวิปัสสนาก็คือการที่เราจะาดับความวุ่นวายใจดับความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดจากความอยากของเรานี่เองง mm hmm. ั้นเราถ้าจะดูดูใจก็ดูตรงความอยาก mm hmm. ถ้ายังไม่ถึงเวลา ดื่มถึงเวลารับประทานก็อย่าดื่มถ้าจะดื่มน้ำเปล่าก็ดื่มได้ถ้าร่างถ้ามันร่างกายต้องการคอแห้งน้ำนี่ดื่มได้ตลอดเวลาแต่เครื่องดื่มที่มีรสชาติเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นกับร่างกายนอกจากไม่มีความจำเป็นแล้วเป็นโทษกับร่างกายเสียด้วยซ้าไปน้ำ น้ำดื่มหวานหวานดื่มไม่มากๆน้ําตาลก็ขึ้นพวกที่มีสารต่างๆก็ไปรบกวนดื่มกาแฟาก็ทำให้นอนไม่หลับแล้วพอดื่มแล้วก็ติดถ้าไม่ได้ดื่มก็ง่วงนอนอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาดูกันถ้าเราอยากจะวัดการปฏิบัติของเราจริงๆก้าหมายของการปฏิบัติเพื่อละความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะความอยากในราบยศสัลระเสินสุขถ้าเรายังอยากได้เงินมากๆอย่างเงี้ยดูดูจิตไปจนวันตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูอารมณ์ไป พอถึงเวลาก็ไปหาเงินอย่างนี้ดูจิตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูจิตต้องดูความอยากดูว่าเรายังอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหรือไมย่ยังอยากดูหนังหรือเปล่ายังอยากฟังเพลงหรือเปล่ายังอยากอยู่กับแฟนหรือเปล่ายังอยากมีแฟนหรือเปล่า ถ้าจะดูจิต ด, ดูตัวนี้ดูตัวความอยากอยากไปดูตัวอื่นดูตัวอื่นมันไม่มันไม่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรขอให้เราดูสามตัวนี้ดูความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสว่าเราตอนนี้อยากก็เปล่าอยากแล้วเราหยุดมันได้หรือเปล่าอยากในลาบยศสรรเสรน์หรือเปล่า อยากให้คนเขาชมหรือเปล่าอยากให้คนเขาไม่ด่าเราหรือเปล่าเวลาคนเขาด่าเราเรารู้สึกอย่างไรเราเฉยหรือว่าเราเดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนเราก็แสดงว่าเรามีปัญหาเราต้องไม่มีปัญหาเราต้องไม่เดือดร้อนใครจะชมใครจะดา่าต้องเท่ากัน ไม่ใช่ใครชมนี่ดีใจพอใครด่าก็เสียใจแสดงว่ามีความอยากในสรรเสริญอยากให้คนเขาชมแล้วในทางตรงกันข้ามก็ไม่อยากให้เขาด่าเราว่าเราดูถูกเหยียดย้มเราเนี่ยคือเรื่องของการดูจิต ด, ดูใจให้ดูตรงตัวความอยากต่าง ออ่ข้ทีคำถามจากผู้ฝากถามค่ะจากคุณละดาวันในจิตใจเหมือนจมปักกับอดีตและเหมือนมีลังสังหรณ์ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงทำยังไงคะก็เฉยๆไว้ไงให้สักแต่วร่ารู้ไปแล้วดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า <Yeah. S 1> บางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษที่ สามารถที่จะเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญอะไรคือคนไม่เห็นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่คนเห็นก็ไม่ได้มีอะไรคือเห็นมันก็แก้มไม่ได้เหตุการณ์อะไรที่มันจะเกิดไปห้ามมันไม่ให้เกิดมันก็ห้ามมันไม่ได้ดังนั้นมัน มันไม่มีความสำคัญในในความสามารถพิเศษเหล่านี้สิ่งที่เราต้องการคือใจที่สามารถรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้พวกเราก็มีความสามารถพิเศษกันแต่ไม่ค่อยชอบใช้กันพวกเราก็รู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่ไม่ยอมใช้มันไม่ยอมคิดถึงมันเพราะกลัวมัน ถ้าเราเอาความสามารถพิเศษนี้มาใช้เราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็เตรียมตัวเลยถ้ารู้ว่าจะต้องตายพรุ่งนี้ก็จะได้เตรียมตัวมีหนี้ก็รีบไปใช้เขาเสียมีอะไรที่ต้องทำก็รีบทำเสียดังนั้นเรื่องการรู้ความรู้อะไรในอนาคตนี้ ไม่ไม่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรถ้าคนที่มีปัญญาก็จะพิจารณาไปว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราห้ามได้หรือเปล่าเราหยุดมันได้หรือเปล่าถ้าห้ามไม่ได้หยุดมันไม่ได้ เราก็ต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์เทนั้นเองเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี่เราห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้ร่างกายมันแก่ไม่ให้มันเจ็บห้ามไม่ให้มันตายได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของเราหรือของคนอื่นมันก็เหมือนกันห้ามไม่ได้แต่เราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับมันได้อยู่ตรงนี้ที่เราทำได้ ฉันให้เรามาดูตรงนี้ดูว่าเราทำอย่างไรที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวิธีที่จะไม่ทุกก็คือต้องปล่อยวางต้องไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นรู้ว่าเดี๋ยวฝนจะตกแต่ไม่อยากให้มันตกอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นไป ถ้ารู้ว่าห้ามฝนมาไม่ให้มันตกไม่ได้ก็ทำใจให้มันตกไปตกก็หาที่หลบฝนกันเตรียมตัวรับฝนกันไปมันก็ไม่มีความทุกข์ใจตามมาฉะนั้นเรารู้อะไรก็ตามถ้ารู้มันเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นเราก็เตรียมตัวเตรียมใจเสียรับกับเหตุการณ์ ถ้าทำอะไรได้ก็ทำไปถ้ารั่วน้าจะท่วมก็รีบขนข้าวของขึ้นที่สูงซะอย่างนี้ก็ทำได้เท่านั้นเองแต่จะไปหยุดไม่ให้น้ำมันท่วมมันไม่ได้หรือน้ามันท่วมแล้วขนย้ายของไม่ได้ก็ทำใจเสียว่ามันจะท่วมก็ท่วมของก็ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องพังอยู่ดีถึงเวลามันจะพังก็ให้มันพังไป เราต้องคิดในทางที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆการที่เราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเราก็ต้องปล่อยวาง<ม>เช่นแฟนจะไปจะไปมีเมียใหม่ไปเลยถ้าให้ยินดีเขาไปเลยก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยินดีไม่อยากให้เขาไปก็จะทุกข์แล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่าถ้าเขาจะไปจริงๆ คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษามาปฏิบัติกันมาปฏิบัติใจของเราเพื่อให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เพราะไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพัดภาคจากเข้าไปหรือไม่เราหรือไม่เช่นั้นเราก็ต้องพัดภาคจากเขาไปถ้าเราไม่ยึดติดเรารู้ว่าต้องจากกันถึงเวลาก็บายบายตัวใครตัวมันเราก็จะไม่ทุกข์ ปัญหาของเราก็คือเราชอบไปพึ่งเขาพึ่งสิ่งต่างๆพึ่งบุคคลต่างๆพอเขาไม่เป็นที่พึ่งเราก็เดือดร้อนแค่นั้นเองเอาถึงแม้เขาจะอยู่กับเราเกิดเขาเป็นเอามาพึ่งก็มาพาดไปเราอยากให้เขาอยู่กับเราไปก็ไม่อยากเลยไปเลยอยู่ทําไมอยู่แล้วต้องอยู่แล้วต้องมาแบกหามาเรื่อง อยู่แบบนี้ก็อย่าอยู่ดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้าอยู่แบบให้เงินให้ทองใช่นี้ก็อยากจะให้อยู่แหอะก็ปัญหาก็คือตัวเราเนี่ยมันมันมันไม่ดีเองเ อ, อยากจะไปพึ่งเขาอาศัยเขาให้เขาทำอะไรให้กับเร า, เอาพอเขาไม่ทำให้เราเขาทิ้งเราล้วก็เสียใจยนั่นเอง แต่ถ้าเขาทำอะไรให้เราเราไม่ได้แล้วเขาขออยู่เราก็ไม่อยากใจก็ อ, อ, อยู่อยู่นีอามีเนี่ยมีคนมาเล่ามาฟังว่าพอพอเป็นอะไรไปภรรยาสามีก็ทิ้งเลย<ม>เป็นธรรมพิกรรมพาดเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะอยู่กับเราละนี่แหละคือเรื่องของปัญหาของพวกเราคือพึ่งตนเองไม่เป็น ถ้าพึ่งตนเองได้แล้วจะไม่เดือดร้อนกับใครทั้งนั้นจะไม่เดือดร้อนกับอะไรเนืแต่ร่างกายนี้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีที่พึ่งตอนนี้เราไม่มีที่พึ่งกันเราเลยต้องพึ่งร่างกายเพราะเรายังอยากจะใช้ร่างกายกินของอร่อยดื่มของอร่อยอยู่ดูดูสิ่งที่เราอยากดูฟังสิ่งที่เราอยากดูอยู่ถ้าร่างกายพิกลพิการก็ทาไม่ได้ใช่ไห ถ้าตาบอดหูหนวกนี่มันก็ไม่อยากจะมีร่างกายแล้วอยากจะฆ่าตัวตายแล้วเพราะมีไปก็ใช้อะไรมันไม่ได้เนี่ยเราเราเพิ่งร่างกายล้วเลยต้องมาทุกกับร่างกายเพราะเราไม่อยากให้ร่างกายมันเสียไม่อยากให้ตาบอดไม่อยากให้หูหนวกไม่อยากให้แขนขาขาดพิกลพิการไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันแก่ เพราะเวลามันแก่มันเจ็บไขยได้ป่วยใช้มันไม่ได้เราต้องรับใช้มันใช่มหมเวลามันเจ็บไายได้ป่วยเราต้องหายามาให้มันกินหาน้ามาให้มันดืม่มหาอะไรมาแทนที่มันจะพาเราไปทํานู่นทนํานี่มันไม่ไปแล้วเราจึงไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายกันเพราะเรายัางอยากจะพึ่งร่างกายนี้อยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้ว ก็เหมือนกับแฟนถ้าเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วแล้วเขากลับจะมาให้เป็นเขากลับจะมาพึ่งเราแล้วก็บอกให้เขาไปเลยมันต้องมาอยู่กับเราร่างกายนี้กับไมงันต่อไปมันอยากจะมาพึ่งเราก็ไปเลยพระพุทธเจ้าบอกร่างกายนี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งภาระหา<ม>เวปัญจักขันธาพอถึงเวลามันจะตายท่บอกไปเลยพระอรหันต์ท่านว่วอย่างนี้กับร่างกาย พระพุทธเจ้าบอกการ่างกายถึงเวลาอยากจะไปไปเลยอยู่ก็ต้องแบกมึงอ่ะภาระเฮเวเป็นภาระที่หนักต้องหากินหาดื่มหาอะไรให้มันตลอดเวลาไม่มีร่างกายแล้วสบายไม่มีภาระต้องมาแบกหามคนที่ทำอย่างนี้ได้ต้องมีที่พึ่งในตัวเองต้องมีความสงบะถ้ามีความสงบะ แล้วรับรองว่าไม่ต้องพึ่งอะไรที่ต้องพึ่งเพราะว่ามันไม่มีความสงบกันมันไม่มีความสุขในตัวเลยต้องออกไปหาความสุขข้างนอกตัวไม่มีความสุขในใจเลยต้องออกไปหาความสุขนอกใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาลาบยศสารเสริญก็ต้องมีร่างกายผ่าไป <c oughs> ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิทำใจให้สงบ แล้วตัดความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบให้หมดไปเราก็ไม่ต้องพึ่ง อ, อะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นใจนี้อยู่ตามลำพังได้มีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรขอให้มีความสงบเพียงอย่างเดียวขอให้ตัดความอยากให้หมดไป เพราะความอยากเป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจต้องไปพึ่งหาพึ่งอะไรต่างๆถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่มีอะไรจะดึงใจให้ไปพึ่งสิ่งต่างๆนี่คือสิ่งนี่คือคำตอบของคำถามคำถา ม, ข<อ>ถามเขาไปจากทาง YouTube ไลฟ์นะครับจากคุณวิเชียนธรรมนะครับอยากทราบการอุทิศส่วนกุศล จากการทําบุญการทําทานอุทิศให้เฉพาะผู้ที่เสียชีวิตเท่านั้นใช่หรือไม่ครับส่วนการสวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานอุทิศให้กับผู้ใดได้บ้างหรือการทําบุญอย่างอื่นอุทิศให้กับผู้ใดได้บ้างครับก็บุญที่อุทิศได้ก็บุญที่เกิดจากการทําทานนี่เนั้นแหละถ้าเราทําบุญทําทานแล้วเราก็เกิดบุญขึ้นมาในใจเรา เราก็แบ่งบุญนี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ส่วนผู้ที่ร่วงรับเขาจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่ฐานะของเขาถ้าเขามีบุญมากกว่าที่เราส่งไปเขาก็ไม่รับเหมือนเราส่งเงินไปให้เศรษฐีเราส่งไปร้อยส0งรไปส่งให้คนที่เขามีเงินล้านเขาก็ไม่รู้จะเอาไปทำไงเงินละร้อย200แต่ถ้าเราส่งไปให้ขอทานที่ไม่มีเงินเลยเนี่ย ร้อ2สอง้อยก็มีคุณค่าสำหรับเขาบุญอยู่ที่นี่สาหรับขอทานสำหรับพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปเวลาตายไปแล้วไม่มีบุญติดตัวก็หิวไม่มีอาหารกินบุญนี่เป็นเหมือนอาหารก็เลยต้องมาขอบุญของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ า, าทำบุญเสร็จแล้วช่วยอุธแบ่งไปให้เราหน่อยนะนี่คือ ฐานะของคนที่จะรับบุญก็คือคนที่เป็นขอทานบุญคนที่ไม่มีเงินไม่ไม่ได้ทำบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่ตายไปก็เลยไม่มีบุญไม่มีเงินก็เลยต้องมาขอเงินขอบุญจากคนที่มีชีวิตอยู่อันนี้เป็นบุญอย่างเดียวที่ที่เราจะแบ่งให้กับผู้ร่วงรับไปได้บุญอย่างอื่นแบ่งไม่ได้ บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบบุญที่เกิดจากการบรรลุธรรมเป็นขั้นโสดาบันขั้น อ, อาหารหันนี่แบ่งให้คนอื่นไม่ได้แบ่งได้ก็ดีแต่ญาติโยมจะได้ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ให้เหนื่อยใช่ไมไอยู่บ้าน้วเดี๋ยวหลวงพ่อส่งไปให้เอง <c oughs> อยากจะได้ศีลกี่ข้อส่งไปให้เลย <c oughs> อยากจะได้สมาธิชั้นไหนส่งไปให้เลย นะันั้นบุญที่จะอุทิศให้คนตายได้มีบุญที่เกิดจากการให้ทานคำถามข้อต่อไปจากทางาข้อความนะครับจากคุณนักพันนะครับผมศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์ผมบวชแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้บ้านแห่งหนึ่งแต่สภาพแวดล้อม ผมรู้สึกไม่สงบไม่สบายใจเพราะพระรุ่นเดียวกันบวชหมู่ชอบแกล้งกันลินทากันแล้วก็มีความเครียดความกลัวที่ผมกลัวมากๆอยู่เรื่องหนึ่งผมผ่านเรื่องนั้นพอเข้ามาบวชกลับต้องมาเจอเรื่องที่เครียดแล้วกลัวรูปแบบเดิมที่ผ่านมาจึงทำให้ผมระแวงเครียดกลัวกังวลทำอย่างไรดีครับพระอาจารย์ ความเครียดความกลัวความกังวลก็เกิดจากความหลงนั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้จักคำว่าตายรักไม่รู้จักอนิจจังทุกขงังอนัตตาไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่มันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราเราห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะจากเราไปเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเรารู้เราก็จะป่งได้ยอมรับความจริง ถ้าเราปลงได้เราก็หายเครียดหายกลัว่ารพูดเจ้าถึงสอนให้เรามาเจริญอานิจจังกันให้คิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เกิดมาแล้วย่อมมีการพลดภาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพลดภาคจากกันไปไม่ได้นี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตถ้าเราเห็นแล้วเราไม่ลืมเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแทนที่จะพยายามหลีกเลี่ยงพยายามที่จะหนีเราไม่หนีเพราะหนีไม่ได้มันต้องเกิดล่วงพ้นไปไม่ได้ท่านพูดคานี้เข้าใจหม อย่าไปกังวลกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยการพัดพากจากกาันจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรารู้ความจริงอันนี้เราก็จะได้ไม่พยายามหลีกเลี่ยงไม่พยายามที่จะไปอยากไม่ให้มันเกิดความเครียดความไม่สบายใจเกิดจากความไม่อยากให้สิ่งต่างๆที่ ที่เราไม่ชอบนี่เกิดขึ้นแต่เราเป็นคนเลือกมาเองเราเลือกมาเกิดเองเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องมาเจอของเหล่านี้ถ้าไม่อยากจะเจอของเหล่านี้ก็อยากกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องตัดความอยากให้หมดจะตัดความอยากได้ก็ต้องบวชจริงๆไปบวชกับพระที่เขาปฏิบัติจริงๆไปบวชกับพระป่าพระเขา แล้วเขาก็จะปฏิบัติเพื่อตัดความอยากต่างๆพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีไม่มีคำว่าเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีความเครียดก็พยายามคิดตามที่พระเจ้าสอนให้คิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพ่าจากกาันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทาใจเสยยอมรับเสียแล้วก็จะไม่เครียดอะไรจะเกิดก็เกิด เหมือนฝรั่งที่เขาสอนให้ร้องเพลงเกซลาเซลาเนี่ย o e ever will be will be อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไปกังวลไปห่วงใยยังไงมันก็ห้ามมันไม่ได้ทำใจซะแล้วก็จะสบายจะไม่ทุกข์จะไม่เครียดเข้าต่อไปคำถามจากคุณรัตนาพร เวลาเดินจงกรมแล้วบริกรรมพุโทโธแล้วรู้สึกว่าใจมันคิดไปเรื่องอื่นแล้วพอรู้สึกตัวก็กลับมาพุโทโธใหม่มันจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆไม่เข้าใจว่าถูกหรือผิดแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็พยายามให้มันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอ ย, อย่าไปปล่อยให้มันไปคิดเพราะเราไม่เอาพุโทโธจ ร, จ ร, จริงๆวิธีที่จะให้เอาพุโทโธจริงๆท่านบอกว่าให้ไปอยู่ที่น่ากลัวที่ตรงไหนมีผีเนี่ย เวลาผีมานี่มันจะพุทโธอย่างเดียวเลยมันจะไม่กล้าไปคิดเรื่องอื่นหรือสวดมนต์ก็ได้สวดอย่างเดียวเลยคนที่นั่งเครื่องบินนี้เวลาเครื่องบินจะตกนี่โอ้โหไม่ไม่ทำอะไรแล้วสวดอย่างเดียวสวดจริงๆเลยตอนนี้มันไม่มีเหตุการณ์บังคับมันก็เลยพุทโธบ้างคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างเนี่ยพระที่เไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าช้ า, ชาก็เพื่อที่จะบังคับให้มันคิดถึงพุทโธอย่างเดียว เพราะถ้าปล่อยไปคิดเรื่องอื่นแนละ้วมันจะเป็นบ้าไปคิดถึงเรื่องผีมันจะเป็นบ้าคิดถึงเรื่องเครื่องบินจะตกนี่มันจะเป็นบ้ามันก็ต้องหยุดความคิดเหล่านี้มันก็ต้องอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับการสวดมนต์เนี่ยคนเวลาจะเป็นอะไรเนี่ยแหมสวดมนต์กันเก่งแหล้วเกันเวลาสุขเวลา ส, สุขสบายนี่ไม่ยอมสวดเลยพอเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเกัยขึ้นมาเท่านั้นนะ ดัง้ต้องไปหาภัยจะได้บังคับให้สวดกันเพราะถ้าสวดแล้วใจมันสงบสงบเราก็จะหายกลัวก็จะรู้ว่าความกลัวมันออกมาจากใจใจไปปรุงแต่งขึ้นมาเองเหตุการณ์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกลัวไปก่อนแลเครื่องบินยังไม่ทันตกเลยเนะผียังไม่ทันมาเลยก็กลัวไปก่อนละเพียงแต่ได้ยินเสียงผีก็กลัวแล้ว ตักกัก ก, ก, กัหน่อย <c oughs> คำถามจากคุณมรกตจะแก้อย่างไรดีเวลาสวนมนไหว้พระจะหาามากเลยขอโยมไปติแฟนไว้ว่าแค่นี้ก็หาาอยู่นั่นแหละก็นั่นแหละไปนั่งในป่าชาสวนดูเลยไปนั่งที่มันน่ากลัวสวนดูรํารองว่าไม่ไม่ง่วงนอนแน่นอน คำถามจากคุณเจี๊ยบเมื่อคืนอยู่ๆหนูก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาก็งงว่าลืมตาตื่นขึ้นมาทำไมขณะเดียวกันรับรู้ว่าให้ลุกขึ้นจิตจะเข้ายานหนูก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิสองนาทีจิตเข้าฌานเองจริงๆค่ะมีการรู้รู้ว่าจิตสงบในฌานนิ่งสงบตอนนั้นรู้ว่าบังคับจิตไม่ได้เขาแสดงเขาแสดงของเขาเองจิตไม่ใช่เราเขาอิสระจากเรา เราจะออกจากฌานจะขยับไม่ได้ต้องให้จิตถอยมาเองอันนี้จิตแสดงไตรักความเป็นอนัตตาให้เรารู้หรือเปล่าคะจะว่าจะว่าบังคับไม่ได้มันก็ไม่ถูก่จิตนี่เราบังคับได้จิตมันไม่สงบเราบังคับให้มันสงบได้สิ่งที่เราบังคับไม่ได้ก็คืออาจจะบังคับมันไม่ได้ตลอดเวลา บางเวลาก็บังคับได้บางเวลาก็บังคับไม่ได้แต่ถ้ามีสติก็บังคับได้ถ้าไม่มีสติก็บังคับหรือไม่ได้ฉันจะว่ามันจะว่ามันบังคับไม่ได้ก็ไม่ถูกจะว่ามันบังคับได้ก็ไม่ถูกมันขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีเครื่องบังคับหรือไม่ถ้าเรามีสติมีปัญญานี่เราบังคับจิตได้บังคับจิตให้นิ่งให้สงบได้ ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสติก็บังคับมันไม่ได้ก็ขอตอบแบบนี้แหละคำถามจากคุณสุธิพงศ์นั่งสมาธิแล้วรู้สึกจิตสงบพอสงบลงมากๆเกิดความกลัวว่าจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าสมาธิสงบจนถึงขั้นจิตรวม จะมีความรู้สึกกลัวอยู่หรือเปล่าหากรู้สึกกลัวควรทําอย่างไรครับอ๋อถ้ามันรวมจริงๆมันไม่มีความกลัวหรอกมันจะหายไปหมดมันจะว่างหรือแต่สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็ถือว่ามันออกจากความสงบแนละ้วมันกลับมาคิดปรุงแต่งแนละ้วความกลัวเกิดจากความคิดปรุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่อง น, นี้แล้วก็เกิดความกลัวตามมาถ้ามันสงบจริงๆมันจะไม่มีความคิดปรุงแต่ง มันก็จะไม่มีความกลัวถ้ามันกลัวก็ใช้สติหยุดมันใช้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอจิตสงบพอจิตหยุดคิดปรุงแต่งความกลัวก็หายไปเนี่ยคือจิตบางทีก็บังคับได้บางทีก็บัง ค, บบงบงคับไม่ได้ถ้ามีเครื่องบังคับก็บังคับได้ถ้าไม่มีเครื่องบังคับก็บังคับไม่ได้คำถามจากคุณน้อย ขอถามแทนเพื่อนที่กำลังนั่งฟังพระอาจารย์อยู่ด้านล่างศาลานะเจ้าคระเพื่อนประสบอุบัติเหตุเสียดวงตาไปหนึ่งข้างแล้วทุกข์มากทุกมาปีกว่าแล้วความทุกข์เกิดขึ้นหนักมากตึกษาจิตแพทย์ก็ได้ยามาทานแต่ก็ไม่หายทุกขยังทำใจไม่ได้กลับดวงตาที่เหลือเพียงข้างเดียวขอรับคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าคะ่ะทุกพอยากจะได้ดวงตาคืนมาอยากจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้นอกจากว่ามีหมอหรือมีวิธีที่เขาจะสร้างดวงตาอันใหม่ขึ้นมาทดแทนอันเก่าถึงจะได้ดวงตาอันใหม่กลับมาถ้าไม่มีใครสามารถทำได้อยากไปก็จะทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรคนจะมองในแง่บวกดีกว่าคนจะมองว่า ยังดียังเหลืออีกตาหนึ่งดีไม่หมดไปทั้งสองตาตอนนี้ยังเหลืออีกตาก็อยู่กับมันไปพระพุทธเจ้าสอนให้เรายินดีตามมีตามเกิดขอให้เราคิดเสียว่ามันเป็นวิบากของเราก็แล้วกันชาติก่อนเราอาจจะเคยไปควักในตาของสัตว์หรือของปลาหรือของอะไรมาชาตินี้เราก็เลยต้องเสียในตาไป ถ้าอยากจะพูดให้กำลังใจก็ให้เราคิดถึงในหลวงในหลวงของเราท่านก็มีตาเดียวท่านก็อยู่ได้อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์เป็นที่พึ่งให้กับพวกเรากันเพราะท่านไม่มีความอยากที่จะได้ตาที่เสียกลับไปนั้นกลับคืนมาเพราะท่านมีปัญญาท่านรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ท่ารู้ว่าความทุกข์ของท่านเกิดจากความอยากฉนั้นขอให้เราพิจารณาตรงนี้ให้เกิดปัญญาว่าตอนนี้ที่เราทุกข์นี้ทุกข์เพราะเราอยากได้ดวงตาอีกดวงตาหนึ่งแต่เราไม่ใช้ปัญญาดูว่าแล้วมันเป็นไปได้หรือไม่มันถ้าเป็นไปไม่ได้อยากไปจนวันตายมันก็จะทุกข์ไปจนวันตายแต่พอเรายอมรับความจริงว่าไม่ได้ก็ช่างหัวมันตอนนี้ยังมีตาหนึ่ง ีีก่ไมมเลยคิดอยย่าางนนี้มักก็จะหทุคำถามจากคุณหนิงใช้อุบายอย่างไรให้จิตเข้มแข็งไม่ท้อถอยในการเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งถูกด้วยคะก็ต้องมีสติเป็นตัวนำต้องพยายามฝึกสติจะรอนสติให้มากแล้วเวลามีสติใจมันจะไม่คิด พอไม่คิดแล้วมันก็จะว่างเย็นสบายมันก็จะมีกําลังขึ้นมาถ้าคิดแล้วมันทําให้ท้อแท้เบื่อหน่ายได้ถ้ามันไปคิดถึงเรื่องที่เราทําไม่ได้หรือเรื่องที่ยากเราไม่อยากจะทํอย่างนี้นอย่าไปคิดนะพยายามใช้ความคิดให้น้อยที่สุดถ้าไม่คิดได้เลยยิ่งดีกับเรื่องที่เราต้องเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไปหวังอะไรจากโลกในโลกนี้เลยได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเดี๋ยวแก่เจ็บตายก็ต้องเสียไปหมดได้ราบยศสรรเสริญได้ความสุขอะไรมาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปสู้มาหาความสงบกันดีกว่าเป็นของที่ไม่เสียเป็นของที่ไม่จากเราไปและเป็นของที่จะให้กำลังกับเรากำลังของเราคือความสงบ ความสงบนี้เป็นเหมือนอาหารของเราถ้าเรามีความสงบนี้เหมือนเราได้รับประทานอาหารเรารับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีกำลังเอ็นมาสร้างความสงบกันด้วยการเจริญสติให้มากๆเต่มขึ้นมาก็พุทโธไปเลยจะทาอะไรก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารพุทโธไปอย่างเดียว อย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยกเว้นเรื่องที่เราจะต้องคิดเช่นวันนี้วันอะไรต้องไปทำงานที่มีธุระอะไรกับใครต้องทำอะไรหรือเปล่าก็คิดในเรื่องที่จำเป็นต้องคิดแต่พอคิดเสร็จแล้วก็เวลาไปเตรียมตัวจะไปทำอะไรก็ไม่ต้องคิดก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วใจจะว่างจะเย็นจะมีกาลัง จะสามารถทำอะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวไม่รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายคำถามจากคุณยอดเรื่องโทรจิตนั้นมีจริงหรือไม่อย่างไรครับโทรจิตที่ผมเข้าใจคือประมาณว่าสื่อสารการทางจิตโดยไม่ต้องผ่านคำพูดครับก็พระพุทธเจ้ากับเทวดานี่ไงเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับเทวดาก็แสดงทางจิตเทวดาเขาก็ไม่มีร่างกาย เขาก็ติดต่อพระพุทธเจ้าทางจิตเทวดาก็มีแต่ตัวจิตตัวเทวดานี้ไม่มีตัวร่างกายมีตัวจิตมีสัญญาสังขารวิญญาณที่จะรับทราบความคิดของพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยใช้ความคิดเทวดาก็ฟังด้วยโดยใช้จิตเป็นผู้รับถ้าสำหรับคนที่มีพลังก็สามารถอ่านจิตของคนอื่นได้ พาะบางรูปอย่างน้องปู่ม่านนี่ท่านอ่าน จ, จิตของพวกเราได้พวกเรากำลังนั่งอยู่นี่กำลังนินทาท่านอยู่ท่านกร็ร <c oughs> ู้ดนนระวงังเมเวลาไปอยู่กับพระปฏิบัตินี่ยแต่เมื่กว่าท่านไม่รู้เ่ยมีมีโยมต้องการถามเขาจ้าแต่เขาไม่กล้าถามผมเลยบอกแล้ว เชิญถามได้ครับอยากถามว่าเป็นมาหลายปีนะคะประมาณเจ็ดแปดปีที่จเสียงท้าสวดนะคะที่ที่ผูกสองข้างไปไหนทุกที่เลยค่ะแล้วมีมาเมื่อคืนที่โบสถเนี่ยคือชัดขึ้นชัดขึ้นจนเป็นได้ยินเสียงเป็นเป็นภาษาที่สวดเลยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราไม่ไปต่อต้านหรือมีปฏิกิริยากับเสียงที่เราได้ยินคือถ้ามา เาราได้ยินเสียงก็ให้รู้ว่าเราได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปใช่ไหมมันไม่ได้ยินทั้งวันทั้งคืนมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปห้ามมันไม่ได้ไม่มีสาระประโยชน์อะไรไม่มีก็อาจจะเป็นเรื่องของใจเรามันไปคิดถึงมันเองแล้วมันก็มันก็แสดงออกมาให้เราได้ยินได้ อย่าไปปฏิเสธอย่าไปลังเกียดแล้วมันจะอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากกำจัดมันแล้วมันจะเครียดได้มันจะทุกข์ได้ถ้าทาใจเฉยๆใจดีสู้เสือก็ไม่มีอะไรมันจะมาก็ให้มันมาเดี๋ยวมาแล้วมเดี๋ยวมันก็ไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีมามีไปเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่เราต้องไม่มีความอยากกับมันนะมันจะมาหรือจะไปก็ปล่อยมันมามันไปเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราทำอะไรได้เราก็ทำของเราไปก็มันจะไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันได้ไม่มีไม่มีความไม่มีสาระทางธรรมอะมันไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากเสียงเหล่านี้ จะหลุดพ้นได้ต้องมีปัญญาปล่อยวางเช่นปล่อยวางเสียงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอย่างนี้ก็แสดงว่าหลุดพ้นเพราะเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อปฏิบัติเพื่อให้เราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เราได้ยินข้างในหรือเสียงเราได้ยินจากข้างนอกก็เหมือนกันเวลาเจอเสียงไม่ดีเสียงที่เราไม่ชอบเรามักจะทุกข์กัน เพราะเราอยากจะเราอยากจะไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้เราไม่อยากจะได้ยินเสียงเหล่านี้ก็เลยทาให้เราทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ยินได้ยินก็ได้ยินไปใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเสียงของเขานี่คือการปฏิบัติเพื่อทําสอนใจให้เราอย่าไปมีความอยากกับอะไรต่างๆเช่นเสียงเสียงชมเสียงด่า มันเสียงเหมือนกันมันมีความหมายต่างกันเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปติดกับความหมายมเวลาเขาชมเราก็ดีใจเวลาเขาด่าก็เสียใจความจริงมันก็เป็นแค่เสียงเฉะนั้นเราต้องอยากไปอยากให้เขาชมและอยากให้เขาไม่ด่าเราแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับคําชมคําด่า<ม>ให้ฟังเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไป นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อรักษาใจของเราให้เป็นปกติไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจดีใจก็ไม่ดีเพราะดีใจแล้วมันติดพอสิ่งที่ทำให้เราดีใจหายไปเราก็จะเสียใจเสียใจก็ไม่ดีเพราะเจอมันปั๊บเราก็เสียใจเราต้องเฉยเฉยแล้จะไม่มีปัญหาจะเฉยได้ก็ต้องมานั่งซ้ำสมาธิบ่อยๆ มีสติมากๆแล้วมันจะทำให้ใจเฉยได้คุณพ่อเสียไปเจีที่แล้วนะคะแต่ว่าคุณพ่อก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันก็จะมีอัฐิท่าของพ่อมัคิุบาาจารย์นะคะทีนี้หนูเองที่บ้านเนี่ยก็ยังมีบูชาอยู่หมายถึงว่ายังอยู่ที่ขี้อยู่นะคะหนูควรจะปฏิบัติยังไง ก็ทำต่อไปสิพ่ออยู่ก็ทำได้ทำไมพ่อไม่อยู่ก็ทำไมจะทำไม่ได้นอกจากมันมีเหตุผลอะไรจะทาให้ต้องให้ทำเป็นอย่างอื่นก็ทำไปได้ยังตั้งไว้ที่เดิมได้ยังทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่ก็ตั้งหนุนไว้เช่นั้นมันก็เป็นเป็นสังขานุ้สติเป็นเป็นมงคลละวัตถุที่จะเตือนสติให้เราเลิกถึงความตายว่า แม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระอาหารหันต์ก็ต้องตายแต่ความตายของท่านต่างกับความตายของเราท่านตายแล้วไม่เกิดเพราะเราตายยังเกิดอยู่ถ้าเราไม่อยากจะเกิดเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนท่านแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เก็บไว้ได้แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดเกิดวันดีคืนดีใครไม่รู้มาหยิบไป ก, ก, ก็ก็ไม่เป็นไร เกิดใครมาเห็นแล้วลำคาญเอาไปทิ้งก็เรื่องของเขาแต่เราก็ทำเหมือนเดิมกราบไหว้บูชาเป็นมงคลการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเวลาเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันทำให้เราได้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ถ้าแม้เรามีสติสตังมีปัญญาก็ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรถึงแม้คุณพ่อจะจากไปแล้วก็ถ้าไม่มีเหตุผลที่จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นก็ปล่อยมันไปตามเดิมเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าสเสด็จ ด, ดับขันธปานนี้ผ่านไป พระสงฆ์ก็มีความเห็นต่างๆขึ้นมาว่าเอพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติไว้นี่ท่านเคยปารลร็ว่าถ้าสงเห็นว่ามีข้อไหนอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกได้เพราะสั่งพระ อ, อนุนไว้ก็เลยมีบางคนก็อยากจะยกเลิกข้อนั้นอยากจะยกเลิกข้อนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าข้อไหนที่พระเจ้าหมวกยกเลิกได้ข้อไหนยกเลิกไม่ได้ ก็เลยไปโทษพระอ น, นุนว่าทำไมไม่ถามว่าข้อไหนยกเลิกได้พระอ น, นุนก็บอกผมก็โง่ผมก็เลยไม่ฉลาดผมก็เลยไม่ได้ถามก็เลยถูกปรับโทษปรับอาบัติแล้วในที่สุดก็ต้องให้พระอรหนห้าร้อยรูปท่านมาลงมติกันท่านก็ลงมาว่าสมัยพุทธเจ้าท่านอยู่ท่านให้ทำอย่างนี้เราก็ทำกันได้อยู่ท่านไม่อยู่แล้วเราทำไมจะทำไม่ได้ เพามันไเกี่ยวอาการอยู่หรือการไปของพระพุทธเจ้ามันเกี่ยวอยู่การปฏิบัติของเราต่างหาถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วถึงแม้ท่านบอกจะให้ยกเลิกแล้วแต่แต่ถ้าไม่มีความจําเป็นอะนั้นจะต้องยกเลิกก็ไม่ต้องยกเลิกมันก็เลยรักษากันมาจนถึงวันนี้สยยี่สิบเจ็ข้อที่พระเจ้าได้ทรงกํา ยกเว้นสายที่เขายกเลิกก็มี อ, อมอีสายบางสายก็าบอกข้อนี้ไม่จําเป็นยกเลิกไปก็ไม่ว่าเลยเขาบอกพระพุทธเจ้าสั่งไว้แล้วว่ายกเลิกได้ อ, อแต่สายของเทสายของเรานี่เรายัางยังตามคําสั่งของพระอารานห้าร้อยลูกอยู่ที่ท่านชุมนุมกันหลังจากสามเดือนหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงจากไปแล้ว ท่านก็มาพิจารณาทาคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้ามาจัดระเบียบเรียบจัดให้เป็นหมวดเป็นหมู่อะไรต่างๆแล้วก็ดูว่าคำสอนไหนถูกไม่ถูกตอนในที่สุดก็กั่นกรกองมาเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาพวกเราก็ยึดถือหลักของพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนเป็นแผนที่ของการปฏิบัติสีล227ยข้อนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎก สิ่ของภิกษุณี300กว่าข้อก็อยู่ในพระไตรปิฎกพวกเราอยากจะเป็นภิกษุณีก็ไปเปิดดูสี่งของภิกษุณีก็ได้ก็ได้เป็นภิกษุณีแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตั้มจะต้องมีคนมาบวชให้เราหรือไม่บวชให้เรามันไม่ได้อยู่ที่พิธีการเป็นพระเป็นเป็นชีเป็นภิกษุณีมันอยู่ที่การปฏิบัติตนเองถ้าอยากจะเป็นภิกษุณีก็ไปเปิดดูสิมีข้อห้ามกีม่ข้อกี่ข้อก็ทําไปเสร็จรักษาไปมากกว่าภิกษุ หน้ากกของพระอีกนะของพิกษูณีนี่สามร้อยกว่าข้อของพระนี่สองร้อยี่เจ็ดอันนี้แหละที่จะเป็นตัววัดว่าเราเป็นพระหรือไม่เป็นพระไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวหรื อ, อห่มผ้าเหลืองหรือหมผ้าขาวอยู่ที่ศีลอยู่ที่คําการปฏิบัติตามข้อห้ามที่พระเจ้าทรงห้ามไว้ได้หรือเปล่า จากคุณอภิสิทธิ์การเพ่งกายกับการดูกายดูความรู้แตกต่างกันอย่างไรครับคือมันเป็นคำาคำพูดเนี่ยต้องไปเปิดนปัญน า, น, า, น, านุกรมดูว่าเพ่งกับดูมันต่างกัน <c oughs> แต่ในทางเชิงปฏิบัติก็คือถ้าเราจ ะ, จะเจริญสติถ้าเราใช้ร่างกายก็เหมือนขอให้เราเฝ้าดูร่างกายทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวเพื่อให้เราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่น ถ้าเราคอยเฝ้าดูอยู่ทุกขณะนี้เราไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้เช่นเรากําลังแปลงฟันอยู่นี้ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องอื่นเดี๋ยวเราจําไม่ได้แล้วว่าเราแปลงตรงไหนบ้างแต่ถ้าเราเฝ้าดูตลอดเวลานี้เราจะรู้ว่ า, าแปลงไปถึงตรงไหนแล้วดังการให้มีสติเฝ้าดูร่างกายนี้เป็นการเจริญสติเพื่อที่จะไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เรียกว่ากายกตาสติ ให้รู้การเคลื่อนไหวทุกิริยาบทจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาจะยกแขนขึ้นจะวางแขนลงอันนี้เป็นเรื่องของการเจริญสติให้ใจเราเฝ้าดูทุกทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะได้ไม่ปล่อยไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าเราไปคิดถึงเรื่องต่างๆเราจะไม่รู้แล้วว่าเรากาลังทาอะไรอยู่เผลอไปแล้ว อันนี้เราไม่ต้องการให้ใจเผลอต้องการให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติอันนี้เป็นการเจริญสตินอกจากการเจริญสติแล้วร่างกายยังเป็นที่เจริญวิปัสนาได้ด้วยเป็นพิจารณาอาการสาสิบสองดูอาการสาสิบสองก็จะเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวตน ลองไปค้นดูในร่างกายนี้ตัวเราอยู่ในร่างกายนี้หรือเปล่าอยู่ที่ผมห ร, อรือเปล่าถ้าตัดผมไปแล้วเราหายไปกับผมห ร, อรือเปล่าอยู่ที่ฟันหรือเปล่าถอนฟันไปหมดปากแล้วตัวเราหายไปห ร, อรือเปล่ามันไม่หายหรอกทั้งอะไรทุกอาการสารที่สองที่มีในร่างกายนี้ถ้าเราแยกออกไปได้แล้วโยนทิ้งหมดเราก็ยังมีอยู่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราอยู่ในใจเราอยู่ในผู้รู้ผู้คิด เราไปคิดขึ้นมาเองว่ามันเป็นตัวเราของเราเนี่ยคือความหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าเราอยู่ในร่างกายแต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราใช้ร่างกายเป็นเป็นคนรับใช้เราเราต้องการอะไรเรก็สั่งให้ร่างกายไปทำอยากจะดื่มน้ำก็ให้มันไปเอาน้ำมาดื่มอยากจะดูอะไรหมันก็ให้ก็ให้มันพาเราไปดูแต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกาย เราอยู่ในโลกทิพย์ใจนี่อยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี่อยู่ในโลกกระทาตนี่คือการพิจารณาร่างกายเพื่อให้เกิดวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการส2สองแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่พิจารณานี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่รู้ผู้ที่คิดอยู่นี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นใจเป็นที่ เป็นคนควบคุมร่างกายเหมือนกับคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์ไม่ได้เป็นรถยนต์ใช่ไหมคนขับรถยนต์เป็นคนควบคุมรถยนต์ให้วิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่มีคนขับรถยนต์นี้รถวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ฉัในใดร่างกายนี้ถ้าไม่มีจิตใจมาควบคุมก็ไปไหนไม่ได้นอนแข็งทื่ออยู่เวลาคนตายเนี้นเวลาร่างกายตายนี้ไม่มีจิตใจนะจิตใจไม่ได้มา ควบกลุ่มสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้แล้วเพราะร่างกายมันเสียมันชารุดใจก็เลยไม่สามารถสั่งให้มันทำอะไรได้ใจก็เลยทิ้งมันไปนี่ก็เรียกว่าวิปัสสนาดัางนั้นการดูกายการเพ่งกายนี่มีสองลักษณะดูกายเพ่งกายเพื่อให้เกิดสติดูกายเพ่งกายเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแต่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็จะได้ ปล่อยวางมันได้ไม่ทุกข์กับมันถ้าเราเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเราก็จะได้ไม่ไปหลงรักใครที่เราไปหลงรักคนนู้นคนนี้ก็เพราะเราไม่เห็นตับไตไส้พุงเขาใช่ไหมถ้าลองเห็นตับไตไส้พุงก็ลองท้าหนังมันใสเหมือนถุงพลาสติกนี่คนเราจะน่ารักไหมล <c oughs> <c oughs> องใต้ผิวหนังนี่ใสแจ๋วเห็นคงเห็นกะโหลกศีรษะเลยกําลังยิ้มกันอยู่เนี่ย มองไม่เห็นกันยังต้องใช้ปัญญาปัญญามันจะเห็นทะลุผิวหนังได้ก็คือต้องเพ่งดูกะโหลกอยู่เรื่อยๆเวลามองหน้าใครก็นึกถึงกะโหลกดูกะโหลกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามันกําลังดูกะโหลกทีนี้เ่าก็มีหนังมามาบังมาปิดไว้เท่านั้นเองคําถามจากทาง youtube live นะครับจากคุณศิวกร น, นะครับเวลาผมนั่งสมาธิชอบบังคับลมหายใจ แก้ไขยังไงดีครับก็เวลาคุณทําอย่างอืินไม่เห็นคุณต้องบังคับมันเลยเนี่ยทำามันล้วนมาบังคับตอนที่มานั่งด้วยก็อย่าไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยเฉยนี่มันจะหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็หายใจออกมันจะสั้นจะยาวก็รู้เฉยเฉยมันจะหยาบหรือจะละเอียดก็รู้เฉยเฉยทำไมเวลาอื่นไม่เห็นต้องไปบังคับมันเวลาดูหนังบังคับมันหรือเปล่าฮะ ตอนนั่งดูหนังนี่ดูแต่หนังมันจะหายใจยังไงมันต้องไปบังคับมันเลยพอมาพูดโทพูดโทหน่อยมันต้องไปบังคับมันด้วยก็พูดโทไปเนยมันจะหายใจยังไงก็เรื่องของมันอย่าอย่าไปผูกไว้กับลมหายใจก็แล้วกันถ้าใช้พุทธโทรเราก็พุทอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมหายใจถ้าเราถ้าเราใช้พุทธโทนี่ใช้พุโทโธอย่างเดียวอย่าไปใช้พุทเข้าโทออกเดี๋ยวมันจะบังคับเพราะว่าบางทีเราอยากจะให้มันเร็วอยากจะให้มันช้า อยางนั้อยอยไปใช้สองอย่างในกรณีอย่างนี้ไม่ควรใช้สองอย่างควรใช้อย่างเดียวเราจะได้ ah. พุทธโทเร็วก็ได้พุทธโทช้าก็ได้จะได้ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องลมเนี่ยเหมือนกับเราดูหนังเนี่ยไม่ได้ต้องไปสนใจกับเรื่องลมเลยลมมันจะหายใจสั้นหายใจยาวเราไม่สนใจเราอยู่กับจอหนังอย่างเดียวถ้าเราพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธรอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับลมหรือถ้าเรา จะดูลมก็ดูเฉยเฉยไม่ใช้พุโทโธก็ได้บางคนก็ดูเฉยเฉยได้เขาก็ดูลมไปก็ได้ถ้าดูลมเฉยเฉยไม่ได้ดูแล้วมันคิดก็ใช้พุโทโธอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธไว้มันก็จะได้ไม่คิดคํถาถามจากคุณสิริวันเวลาเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ความคิดไม่ดีไม่ดีออกไม่กล้าส่งออกในการคิดค่ะ จะเงีย บ, เยบๆเฉย ๆ, ๆสแสดงว่าเราก็พอมีสติบ้างแล้วใช่ไหมครับใช่ยังควบคุมความขึ้นได้อาจจะมันอาจจะเป็นเพราะมันมีความกลัวด้วยมั้งคมกลัวมากคําำถามจากคุณธิสาเรื่องการแผ่เมตตาหากเราเคยทำให้ทำสัตว์ให้ถึงแก่ความตายแล้วเราแผ่เมตตาเรา ควรจะแผ่เมตตาแบบเจาะจงให้เขาเลยหรือว่าแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจงเพราะว่าปัญหานี้มีความขัดแย้งกับเพื่อนๆบอกว่าไม่ควรเจาะจงให้เขา เ, ออเพราะจะทำเพราจะทำให้เราติดกรรมนี้ไปจนตายโดยแผ่โดยรวมค่ะไม่การแผ่เมตตาเรื่องแผ่ให้คนเป็นคนตายแผ่ไม่ได้แล้วคาว่าแผ่เมตตาก็คือ เวลาเราเจอใครเราก็ยิ้มให้เขานี่เรียกว่าแผ่เมตตามีขนมก็แ hey บ่งให้เขากินเรียกว่าแผ่เมตตาเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขาอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่มาไปฆ่าเขาแล้วก็ไปแผ่เมตตาให้เขาอนี้ฆ่าเขาแล้วก็โกรธเกลียดเราใช่ไหมเขาว่าฆ่าพยาบาทเราเราก็ต้องรอรับกรรมเท่านั้นแหละไปฆ่าใครก็แล้วก็ต้องรอรับกรรมให้เขากลับมาฆ่าเราเท่านั้นแหละยังอย่าไปฆ่าถ้าไม่อยากจะมีเวมีกรรมกับใคร ไม่ใช่ไปฆ่าครับแล้วขอโทษนะขอโทษที่ผมฆ่าคุณนะขอให้คุณให้อาภัยนะเดีย๋ยวถ้าเกิดเขากลับมาฆ่าแล้วแล้วเขาขอโทษคุณจะยอมไหมอย่าคิดข้างเดียวสิถ้าเราอยากคิดอะไรนอกคิดทั้งสองข้างถ้าเราทําเขาได้แล้วเขาทําเราได้หรือเปล่าให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่กล้าทําคําถามจากทาง youtube live นะครับเวลาหนูไปทําบุญที่ต่างๆ อยากจะน้อมบุญให้กับพ่อแม่ของเราจะต้องทำอย่างไรให้พ่อแม่ได้รับบุญด้วยคะและท่านจะได้รับบุญด้วยจริงๆไหมคะขอคนแนะนำหน่อยคะเบอ๋อบุญที่เราทำนี่เป็นของเราหมดให้พ่อให้แม่ไม่ได้แต่สิ่งที่เราอาจจะทำให้พ่อแม่ได้บุญจากการทาบุญของเราก็คือเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าวันนี้หนูไปทำบุญมาค่ะถ้าพ่อแม่เขาอนุโมทนาเขาก็จะได้บุญจากการอนุโมทนา แต่ไม่ได้เป็นบุญจากการทำทานมันคนละบุญกันแต่อย่างน้อยก็ได้ความสุขว่าเห็นลูกเป็นคนดีไปทำบุญก็เลย ม, มีความสุขไปกับการทำความดีของลูกอันนี้ก็พ่อแม่ก็จะได้ความสุขก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดพ่อแม่เป็นคนไม่ชอบทำบุญอาจจะไปบอกอาจจะโดนดา่าก็ได้ไมึงไปทำทำไม เ, เสียเงินเปล่า <c oughs> <laughs> อย่างนี้ก็ทำให้พ่อทให้พ่อทุกข์ขึ้นมาได้ ถ้าพ่อแม่เป็นแบบนี้ก็อย่าไปบอกนะแต่ถ้าพ่อแม่เป็นคนอนุโมชอบอนุโมทนาก็ไปบอกวันนี้หนูไปทำบุญมาโอพ่อแม่ได้ยินเออดีเว้ยดีเว้ยไปทำบุญมึงจะได้ไปสวรรค์พ่อแม่จะได้สบายสบายใจทางนี้พ่อแม่ก็จะได้บุญที่เกิดจากอนุโมทนาบุญถ้าอยากจะให้พ่อแม่ได้บุญที่ที่เกิดจากการให้ทานก็ต้องออกอุบายเช่นชวนพ่อแม่ไปเป็นเพื่อนหน่อยหนูจะไปทำบุญที่วัด พ่อช่วยหนูไปช่วยไปกันหนูหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ไปแล้วก็อยากจะทําบุญด้วยเขาก็ควักเงินของเขาออกมาร่วมเขาก็ได้บุญแต่ถ้าเขาไม่ควักเงินออกมาก็ไม่ได้บุญถ้าถ้าเขาไม่ควักเงินแต่ว่าเขาใช้รถของเขาขับมาเสียน้ํามันของเขาครับของพ่อแม่ เ, เขาก็ช่วยได้บุญในส่วนนั้นไปก็ได้บุญไหมครับแต่ไม่ได้บุญจากการให้ทานให้เหมือนกันแต่ให้น้ํามัน <c oughs> ก็ได้บางส่วน คำ ถ, ถามจากคุณอยู่กับปัจจุบันขอขั้นตอนที่จะไปแนะนําคนเริ่มปฏิบัติใหม่เพราะตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเริ่มถูกหรือเปล่าคือเรื่องจากการอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมหาข้อมูลเพิ่มเติ ม, ตมถึงเรื่องปฏิบัติเจ้าค่ะก็นั่นแหะก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นสอนตัวเราเองให้ได้ก่อนถ้ายังสอนตัวเองไม่ได้อย่าไปอย่าไปริสอนคนอื่นให้เสียเวลาเดี๋ยวสอนผิดแล้วเดี๋ยวก็เหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอด ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราอยากจะให้เขาสนใจศึกษาก็ชวนเข้าไปวัดเรื้อหาหนังสือธรรมะให้เขาอ่านจะดีกว่าที่เราจะไปสอนเขาเองถ้าเรายังไม่รู้ว่าวิธีที่ปฏิบัติวิธีที่จะศึกษานั้นทําอย่างไรนะก็อ่านเราศึกษาไปก่อนเราปฏิบัติไปก่อน ถ้าเรารู้แล้วรู้จริงเห็นจริงแล้วมั่นใจแล้วว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องเราก็ค่อยไปสอนคนอื่นต่อไปได้คําถามจากคุณลูซิเฟอร์กระผมนั่งสมาธิแล้วตัวโยกไปโยกมาเกิดจากอะไรหรือครับมีวิธีแก้ไขไหมครับก็จากเผลอสติเนี่ยเวลาไม่มีสติมันก็โยกไปโยกมาเหมือนคนนั่งหลับเนี่ยคนนั่งสับประงองเนี่ยมันก็หลับแล้วก็โยกไปโยกมาถ้ามีสติมันก็จะไม่งอ มยคําถามจากคุณจัน ญ, ญาเวลานั่งสมาธิตอนแรกรู้สึกว่าตัวหนักมากแต่พอสักครู่รู้สึกตัวเบาไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าค ะ, ะเวลาจิตสงบมันก็เบาเยเวลาไม่สงบนี่กิเลมันต่อต้านมันก็รู้สึกหนักอกหนักใจกิเลมไม่ชอบความสงบพอเราจะนั่งความสงบที่มันจะรู้รู้สึกอุดอัดขึ้นมานี่คือการต่อต้านของกิเลส พอเราเอาสติกำหลับมันได้ทำให้มันสงบตัวลงได้มันก็เบาขึ้นมาออกิเลตมันเลิกต่อต้านมันก็เบาขึ้นมาคาถามจากคุณนาตินนั่งแล้วไม่ผ่านแสงสีแสงสีเขียวสักทีมีวิธีจัดการยังไงเคยนั่งใส่แล้วก็เคยนิ่งใส่แล้วก็ไม่หายหรือปล่อยนิ่งนั้นไม่พอครับคือเราต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุทโธไปมันนึ่งจะผ่านถ้าจะนั่งเฉยๆแล้วไปดูสีมันไม่มีวันผ่านมันต้องไม่ไปสนใจสีที่มากดให้รับรู้ให้เราอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้คําถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขาพระ ถ, ถือศีลพระไม่ถือศีลคนทําบุญด้วยจะได้บุญใหม่ครับก็ได้เหมือนกันเหมือนเดิมเพราะบุญอยู่ที่ใจของคนทําไม่ได้อยู่ที่ คําถามจากคุณทรัพย์เวลานั่งสมาธิพอนั่งไปสักพักทําไมถึงง่วงนอนคะกิเลสไงกิเลสมันอยากจะนอนแต่ถ้าดูทีวีนี่หายง่วงเลยคําถามจากคุณวะไลนะครับจากทางข้อความนะครับการที่เกิดภาพนิมิตนี้เกิดจากการเห็นในขณะที่เราลืมตาหรือนั่งสมาธิคะ จะเหมือนกับภาพลวงตาหรือไม่คะ อ, อ้าก็แล้วแต่คนคนลวงตาแล้วปิดตาเหรอเวลาที่คุณเห็นเนี่ยบางคนปิดตาก็เห็นบางคนออไม่ปิดบางคนปวดตาถึงจะเห็นก็แล้วแต่มันก็เห็นสองรูปแบบถ้าเปิดตาก็เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาของร่างกายถ้าปิดตาก็เห็นด้วยตาในาแต่จะเห็นมันก็เหมือนกันคือภาพที่เห็นก็เป็นอนิจจังทุกขงังนะตาเหมือนกัน คือไม่เที่ยมเกิดแล้วดับไปอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ทุกขังถ้าเราไปอยากกับมันเราก็จะทุกข์กับมันดนั้นเราอย่าไปยุ่งกับมันข้อที่สองการเพ่งจนเห็นผู้อื่นเป็นกระดูกเป็นอสุภะนี่จะเหมือนกับภาพที่หลอนขึ้นมาในความคิดหรือไม่เจ้าคะไม่เหมือนหรอเพราะการเพ่งนี้เป็นการทําด้วยความตั้งใจตั้งใจเพื่อให้เห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้กาจัดการมารมที่เกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราเห็นภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายการมารมมันก็จะหายไปการมารมณันนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการเจริญต่อการพัฒนาจิตใจต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาเพ่งดูอสุภะอย่างที่เมื่อกี้บอกถ้าเพ่งบ่อยๆต่อไปผิวหนังนี่มันก็จะใสเหมือนถุงพลาสติก มันก็จะเห็นตับไตไส้พุงเห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ได้อย่างชัดเจนอาศัยการเพ่งดูอาการสามสิบสองบ่อยๆคำถามจากคุณกิติคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นอัลไซเมอร์สิ้นชีวิตในช่วงที่เป็นถ้าไม่ถ้าได้มาเกิดใหม่จะเป็นโรคนี้เลยไหมครับไม่รู้เหมือนกันพอเราเพิก็ไม่ได้เป็นหมอ รู้ว่าเาเกิดใหม่ก็ไม่เห็นเป็นทักคนอบัลซ า, าเมอร์มันจะเป็นตอนแก่กันไม่ใช่ล <c oughs> เลยใช่ไหมมีใครเกิดมาปุ๊บ ก, ก็เป็นเอบัลซ า, าเมอร์เลยไหมคำถามจากคุณอาวาถ้าพ่อแม่ไปทำบุญแล้วให้ลูกๆจบปัจจัยที่จะไปซื้ออาหารทวายพัฒนาอาหารแดดพะสงลูกๆจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะถ้าไม่ได้เงินของลูกๆ ก, ก็ไม่ได้บุญแต่ลูกจะได้อนุมโมทนาได้ ไ ด, ได้ร่วมบุญกับพ่อแม่ด้วยยินดีที่พ่อแม่ได้ไปทำบุญนี้ก็จะได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาแต่ยังไม่ได้เกิดจากการเสียสละเงินของตนเองอันนี้ต้องรอให้มีฐานะก่อนให้มีเงินของตนเองก่อนตอนนี้พ่อแม่ทงนี้เพื่อสอนลูกไปก่อนสอนให้ลูกรู้จักวิธีทำบุญเพื่อต่อไปเวลาเขาโตแล้วเขามีเงินมีทองเขาจะได้ทาบุญได้ถ้าไม่สอนเดี๋ยวโตขึ้นก็ทาบุญไม่เป็น ก็จะเอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อบุหรีซื้ออะไรต่างๆหมดไปคาถามจ้าคุณนกอิสระนะครับเป็นคำถามที่ยอดคิดเหมือนกันนะครับการบริจา่างกายหลังจากเราเสียชีวิตแล้วมีอ น, นิสงอย่างไรครับมีอ น, นิสงกระต่อผู้อื่น<อ>คือตอนนักศึกษานี่<อ>นักศึกษ า, าก็กจะได้ใช้ร่างกายของเรานี้ศึกษาดูอวัยวะต่างๆหรือว่าถ้า เอาวิเยวาส่วนไหนใช้ได้คนอื่นเอาไปใช้ก็ไปต่ออายุให้เขาได้เช่นตับเนือ้อไตหัวใจพอาตายปุ๊บเขาถอดออกไปแล้วก็เอาไปใส่ให้กับคนอื่นคนอื่นก็จะได้มีชีวิตต่อไปอันนี้สมเกตได้จากคนที่ที่ได้รับชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายแต่คนให้นี่ไม่ได้อะไรเลยเพราะาให้ตอนที่ตายแล้วถ้าอยากจะได้ต้องให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เกตอนนี้อยากจะบริจาคตายก็ให้เขาตัดออกไปเลยแล้วเราจะพราะเราจะได้รู้ว่าเราได้บรยจาคจริงๆแล้วเราจะได้สละสิ่งที่เรารักเราหวงเนี่ยบุญเกิดจากการที่เราเสียสละสิ่งที่เรารักเราหวงไปแต่ตอนที่เราตายนี่มันไม่ได้เป็นของเราละมันตายจากเราไปและเราไม่รู้แล้วว่าใครเอาไปทาอะไรบ้างยังไม่มีผลอะไรกับจิตใจเราเลยเพราะจิตใจเราไม่รับรู้แล้วจะ จะได้ผลก็ต้องขณะที่เรามีชีวิตอยู่เช่นเราสงสารน้องน้องเป็นโรคตายตายวายเรามีตายตายแบกให้น้องไปเียพอเราใบจากไปเราเห็นเขาอยู่ได้มีชีวิตอยู่ต่อก็มีความสุขเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละบุญต้องให้ตอนที่เรารู้มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ให้ตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้เรื่องแล้ว แต่อันที่สอมากน้อยก็อยู่กับที่ผู้ให้เด้วใช่ไหมครับอาารหมายความว่าให้น้องเนี่ยให้ได้ก็เป็นน้องแต่ถ้ากล้าให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่น้องเนี่ยก็จะยิ่งไปอีกระดับหนึ่ ง, งใช่ถ้าให้คนที่เราเกลียดได้ยิ่งดีอ่แสดงว่าเราให้อภัยเรามีจิตที่เมตตาเราไม่ไม่ถือโทษโกรธเคืองเแล้วเรายกโทษให้เขาไปเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยกโทษให้กับพระเทวทัตเนี่ยเนั้น ในสิ่งที่ยากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นของอะไรที่เราลักเนี่ยมันให้ยากของที่เราไม่ลักให้ง่ายใช่ไหมอย่างของเก่านี่อยากจะโยนทิ้งนี่มันให้ง่ายจะตายเลยแต่ของที่เราลักเราหวขงของใหม่ๆซื้อไอโฟนมาใหม่ลองเอาไปให้ใครก็ดูเลยดังนั้น <laughs> การทําบุญด้วยร่างที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกับการทําบุญด้วยขยะอะใช่ของของเสียแล้วเนของทิ้งแล้ว แต่แม้มันจะไม่ยังไม่เสียยังเอาไปใช้ได้อยู่ก็ตามแต่แต่เราเราต้องเราต้องทิ้งมันแล้วเราถูกบังคับให้ทิ้งไปแล้วมันไม่ได้เป็นของเราแล้วถ้ายังเป็นของเรารอยู่เราก็ยังไม่ยอมให้อยู่ดีใช่ไหมคาถามจากคุณพิกุเลเวลาเราตักบาตรพระตอนเช้าแล้วเราอธิษฐานอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ไม่ได้กวดน้ําให้ ไม่ทราบว่าผู้ที่ร่วงลับไปแล้วจะได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศให้หรือไม่คะได้การอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ำอุทิศบุญก็ใช้บุญไงบุญก็คือความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเราขณะที่เราได้ทำบุญเวลาที่เราได้ทำบุญเราจะมีความสุขใจอิ่มใจเราอุทิศส่วนนี้ไปให้กับเขาเขาต้งนิยอมให้อุทิศทันทีไง เพรว่าเดี๋ยวไปทําอะไรขึ้นมาไปทะเลาะกับใครขึ้นมามันหายไปหมดแล้วไอ้ความเอิมใจสุขใจเดี๋ยวจะอุทิศความโกรธไปให้เขาอาจารย์ครับเขาเขา้เขาว่ากันว่าการที่ใช้น้ำเนี่ยเหมือนกับว่าบางในกรณีผู้รับเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะรับได้เขาเลยใช้น้ําเป็นสื่อกลางไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้ำมันก็เป็นน้ำใช่ไหมเขาเป็นเหมือนกับเป็นภาพใ ห, ให้เราเห็นว่า กระแสน้ําที่เราเทนี่เหมือนกับกระแสบุญที่มีอยู่ในใจเราที่เราส่งไปทีนี้กระแสบุญเรามองไม่เห็นด้วยตาปล่าก็เลยต้องใช้น้ําให้คนเปรียบเทียบกันท่านนี่เป็นเป็นสิ่งเปรียบเทียบเท่านั้นเองคำถามจากคุณวิรันลุกเวลาเกิดอารมณ์โมโหดิฉันชอบเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจเพื่อลักอารมณ์นั้น เป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมคะหรือว่าต้องพิจารณาอารมณ์นั้นจนกว่ามันจะดับไปก็ได้ทั้ง2วิธีถ้าเราพิจารณาไม่เป็นเราก็เราก็เลี่ยงมันไปก่อนเอาจิต ด, ดึงจิตออกจากอารมณ์มาอยู่กับลมหายใจถ้าอยู่กับลมหายใจมันก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราเกิดอารมณ์ไม่ดีเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรถ้าจะแก้ปัญหาอย่างถาวรก็ต้องไปค้นหาสาเหตุของอารมณ์ว่าเกิดจากอะไร ตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนก็คือเกิดจากความอยากของเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็อารมณ์เสียขึ้นมาถ้าไม่อยากจะอารมณ์เสียก็ต้องเปลี่ยนใจว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็จะหายเช่นไปสั่งก๋วยเตี๋ยก็เข้าผัดมาให้กินนี่อารมณ์เสียแล้วอ้าวช่างมันว่าจะรีบไปทำงานฉนันมัน <laughs> กินก็กิกนว่ากินให้มันอิ่มมันก็หายเสียได้อ้าวก๋วยเตี๋ยก็ได้ข้าวผัดก็ได้ เราต้องเปลี่ยนความอยากเราแล้วเราก็จะหายจากอารมณ์เสียได้มีคําถามฝากถามกับพระอาจารย์คําว่าบา ร, รมีสิทธัตเต็มจะวัดได้อย่างไรและถ้าบา ร, รมีสิทธั์ไม่เต็มจะไม่สามารถภาวนาได้สําเร็จจริงหรือไม่เพราะมีคนเคยบอกว่าให้เจริญบา ร, รมีสิทธัตให้เต็มก่อนไม่งั้นภาวนายังไงก็ไม่เกิดผลอ๋อไม่จริงเหรอ เพราะว่าบารมีสินี้มันมีหน้าที่ต่างกันไงมันเป็นเหมือนขั้นบันไดของการเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องเข้าอนุบาลก่อนแล้วค่อยขึ้นชั้นปถมแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆบารมีข้อที่หนึ่งที่เป็นชั้นอนุบาลก็คือเมตตาบารมีเราต้องมีความเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราก็จะสามารถ สร้างบารมีข้อที่สองได้คือทานบารมีใช่ถ้าเราคิดดีกับคนอื่นรักคนอื่นเนียเราก็อยากจะให้ข้าวของเขาเเราก็จะทำทานได้ถ้าเรามีแต่ความเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เราก็ทาทานไม่ได้แเราต้องกลับจัดความเกลียดเราต้องมีแต่ความรักแล้วเราก็จะสามารถทำทานบารมีได้ข้อที่สองละ พอเราทำทานบารมีได้เราก็จะรักษาศีลข้อที่สได้ศีลบารมีศีลบารมีเพราะว่าคนที่ทำทานจะมีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมจะไม่ชอบสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นก็จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ทำผิดศีลอเรจเริญศีลบารมีได้ก็จะขึ้นไปสู่ในขมมะบารมีได้ในขมมะบารมีก็คือศีล8นี่เองแล้ พอเรารักษาศี่ใได้แล้วเราก็ว่าเหลือแค่3ข้อวะทำไมจะรักษาไม่ได้ใช่ไหมพี่มนี่มาอยู่วัดกันได้เนี่ยในตอนนี้กําลังเนคข ม, มะบา ร, รมีกันนะรู้เปล่าคนี่ถือศีลแปดเนี่ยเรียกว่ากำลังจเจริญในคข ม, มะบา ร, รมีเนคข ม, มะแปลว่าการออกจากกา ม, มาสุขคือการไม่หาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็จะมาอยู่ถือศีลแทนที่จะดูทีวีก็ไม่ดูสวดมนต์แทนนะ มาฟังเทศฐานางนี้เรียกว่าเป็นการเจริญเนคข ม, มะบรมียุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเรามามีเนคข ม, มะบรมีเราก็จะมาเจริญอุเบกขาบรมีได้อุเบกขาบรมีก็คือการทำใจให้สงบนั่นงสมาธิพุทโธพุทโธไปฟังธรรมนี้ก็ได้อุเบกขาเป็นขั้นหนึ่งละฟังแล้วใจสบาย ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงตอนนี้เฉยๆใช่ไหมใจเย็นใจสบายแต่มันชั่วคราวชั่วขณะที่ฟังถ้าเผลอเดี๋ยวออกไปคุยกันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็เกิดความรักชังขึ้นมาได้ถ้าไม่อยากให้มันรักชังก็ต้องไปเจริญสติพุทโธพุทโธการเจริญสติเรียก ว, ว่าเป็นการเจริญเนเจริญอุเบกขาบารมีเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธิ พอใจสงบเป็นสมาธิก็จะได้อุเบกขาบาลมีพอเรามีอุเบกขาบาลมีเราก็จะไปเจริญขั้นต่อไปได้ก็คือปัญญาบารมีเราก็จะสามารถเอาใจที่ที่เย็นที่สงบนี้ไปพิจารณาความจริงต่างๆได้ถ้าใจไม่สงบกิเลสมันไม่ยอมให้เราพิจารณาเราจะไม่ชอบคิดเรื่องความความตายกันเราจะไม่ชอบคิดเรื่องอสุภะกัน แต่พอใจสงบใจเป็นกลางแล้วเราสั่งให้มันคิดมันก็จะคิดแล้วมันจะไม่รู้สึกรู้สึกหดหูหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าใจไม่มีอุเบกขานี่เวลาไปดูซากศพนี่มันจะเป็นนมกันนะแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วมันจะดูแล้วจะเฉยเฉยดูก็จะได้ให้มาจดมาจําว่านี่คือร่างกายของเรามีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เราก็จะได้ปัญญา พอเราเห็นปัญญาเราก็จะได้ปล่อยวางร่างกายได้เนี่ยนี่คือขั้นตอนของการเจริญาบารมีทั้ง10เนี่ยจะเจริญบารมีตานี้ได้ก็ต้องมีอีกสบารมีคือต้องมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานก็คือความตั้งใจเราต้องมีความตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะมีแต่ความเมตตาเราจะแผ่เมตตาเราจะทำบุญทำทานเราจะรักษาศีลอันนี้เรียกว่า อธิษฐานบารมีเราต้องตั้งใจก่อนเราต้องตั้งใจว่าต่อไปนี้ชีวิตของเราเราจะอุทิศให้กับการสร้างบารมีต่างๆเราจะไม่เอาอุทิศชีวิตของเราให้กับการสร้างเงินสร้างทองราบยศสรรเสริญ น, นี้ต้องมีตัวนี้คือความตั้งใจ อ, อธิษฐานแลลว่ความตั้งใจไม่ใช่เป็นการขอนอธิษฐานมันมีสองความหมายของทางโลกก็แปลว่าขออยากจะได้อะไรก็อธิษฐานไปเลย เีหลวงพ่อก็ให้เองอยากจะได้ลูกก็มาขอหลวงพ่ออยากจะได้แฟนก็มาขอหลวงพ่อยังกงหลวงพ่อเป็นคนผลิตแฟนผลิตลูกไม่ใช่นะนี่ความหมายผิดนะความหมายที่ถูกก็คือตั้งใจถ้าอยากจะมีแฟนก็แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยเสร็จเดี๋ยวก็มีแฟนเองนะอธิษฐานพออธิษฐานแล้วก็ต้องมีสัจจะความจริงใจ ไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ทําพอถึงเวลาจะแผ่เมตตาก็ยากเขี้ยวใส่เขาเนี่ยพอไปเจอคนไม่ชอบแทนที่จะยิ้มก็ยากเคี้ยวใส่เขาด่าเขานี่ก็แสดงว่าไม่มีสัจจะมีความตั้งใจแต่พอถึงเวลาจะทําทําไม่ได้เรียกว่าไม่มีสัจจะถ้าตั้งใจจะทําอะไรต้องทําตามที่เราตั้งใจถึงจะเรียวกว่ามีสัจจะต้องมีสัจจะบาลมีแล้วนอกจากสัจจะบาลมีก็ต้องมีวิริยะบาลมี คือความเพียรความพยายามถึงแม้จะโกรธจะเกลียดเขาพอเจอเขาก็ต้องพยายามยิ้มให้เขาให้ได้อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรแล้วถ้าเกิดยิ้มแล้วเขาไม่ยิ้มตอบก็ต้องมีขันติอดทนอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาต้องมีสี่อันนี้ถึงจะสามารถสร้างบา ร, รมีต่างๆได้ต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติ ถ้ามีสี่ตัวนี้ก็จะสามารถสร้างเมตตาบารมีได้สร้างทานบารมีสร้างศีลสร้างอะไรสร้างปัญญาได้ก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้นี่คือเรื่องของบารมีทั้งสิบประการเข้าใจยังเดี๋ยวขอพักสักปั๊มได้ไหมให้คนที่ใครมาอยากจะมาถวายข้าวของหรืออะไรก่อน แ้เผื่อเขาอยากจะกลับจะได้กลับกันได้เดี๋ยวแจ๊ได้ให้พรต่อเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันต่ออีกรอบหนึ่งใครอยากจะเข้ามารับหนังสือซีดี้ามาถวายข้าวของอะไรก็ขอเชิญเข้ามาได้นะหนังสือซีดีใครยังไม่ได้น่ต้องการก็หยิบไปได้นะแจ๊หยิบตามสบายข อ, อไปเฉพาะของเราก็แล้วกันอย่าเอาไปแจกนะ ชอบไปแจกก็นะัให้ไปอ่านไม่อ่านเปนะ็นจะขอไปแจกอย่างเดียวอ่าเออเอ อ, อมันไปแล้วมันก็อย่าไปอะไรกับมันเลยอ่ามันถ้ามันจะหายก็หายถ้ามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปคิดว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราไป พอตายหลายคนแล้วนมันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยค่าตัวตายทั้งท่านที่ร่างกายยังดีอยู่เราสามารถที่ยังใช้ประโยชน์กับร่างกายนี้ได้ยังไปถึงพระนิพพานได้ปฏิบัติทําได้ยังทําอะไรได้อยู่มันเป็นทุนเด็กกันทุกคนอ่ะช้าหรือเร็วท่านนี่ต่อไปเราก็ต้องเป็นต่อไปเราก็ต้องหัวหนุกตาบอกไม่เป็นไรเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โต เป็นเรื่องธรรมดาท ร, รมา ร, รมเพราะเราอยากให้มันหายไม่ใช่แลต่เราไม่ได้อยากให้มันหายเราจะไม่ท ร, รมาร์พยายามหยุดความอยากนี้ให้ได้แล้วจะคอือคําว่าตรงไงตรงยอมรับอตรงยอมรับว่าเนี่ยชีวิตของเราเป็นอย่างนี้แหละพอเราทุกคนมันทําบุญทำกรรมมาไม่เท่ากันมันเลยมีวิบากมีผลเกิดขึ้นไม่เท่ากัน อะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็รับเขามันไ ป, นปนไดูดนายหลวงเป็นตัวอย่างนายหลวงท่านก็เสียตาไปเหมือนกันแต่ท่านไม่ทุกข์ท่านมีปัญญา<ม>ท่านยอมรับความจริงนะท่านก็อยู่ทําประโยชน์ได้ทําอะไรเหมือนกับคนตาสองตาได้เหมือนกันใช่ไหมก็ยังมองเห็นไม่ใช่เหรอข้างวางเริม่มมีปัญหาอ่ บางคนมีสองตาแต่มองไม่เห็นก็มีตาโมตาอะไรไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายเนี่ยเราต้องยอมรับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ยอมรับมันมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนวันตายถึงอยากจะฆ่าตัวตายนี่ยอย่างที่คนบางคนพอเป็นเอามาเพิกกรรมภาพแล้วก็อยากจะฆ่ามันแล้วเพราะไม่รู้จะเก็บมันไว้ทําไมใช้มันเป็นประโยชน์ไม่ได้แต่การฆ่าตัวตายมันเป็นโทษกับจิตใจของเรามันจะทําให้เราไปฆ่าตัวตายอยู่เรื่อย เดี๋วไปเกิดชาติน้าพอไปเจอปัญหาเดิมก็จะฆ่าตัวตายตัวผมกลัวผมก็ทนไม่ไหวไหวหยุดความอยากใช่ไหมพูดโทพูดโทไปเรื่อยๆอัดอัดท่องพูดโทพูดโทไปอยากไปคิดถึงมันพยายามท่องทุกวันพยายามคิดถึงมันอยู่ก็อย่าเวลามันคิดก็อย่าเวลาคิดก็พูดโทไปสิหยุดต้องหยุดคิดต่อไปนี้ไม่คิดถึงมันละมันจะเป็นไงไม่ใช่เรื่องของเราคิดไปแล้วมันทําให้เราทุกคิดไปทําไม เราต้องหนักแน่นเราต้องสู้กับมันพอมันจะคิดปั๊บก็พุโทโธพุโทโธไปเลยสวดมนต์ไปก็ได้พุโทโธไปก็ได้สวดให้นานๆแล้วไม่ใช่สองสามนาทีเอามันเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเลยรับรองได้อยู่หมัดต่อไปมันจะนิ่งจะสงบแล้วจะสบายเราจะไม่เดือดร้อนพยายามสวดไปเยอะๆหรือฟังธรรมะก็ได้เนี่ยเอาเปิดเอาซีดีไปเปิดฟังนะ เ ว, เวลามันก็จะผ่านไปผ่านไปความอยากมันก็จะน้อยลงไปจางลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นปนตกติเออยังไม่สามารถตัดใจได้เลยเก็เดี๋ยวก็ถึงเวลาก็ตัดเองอะไปดูคนที่เขาแย่กับเราบ้างก็ได้คนที่เขาลําบากกับเราคนที่เขาทําอะไรไม่ได้เลยเขาก็ยังอยู่ของเขาต่อไปเมื่อสองวันก่อนก็มีเด็กพิการนั่งอยู่ในรถเข็นมาเนี่ย เขายังเป็นเด็กเป็นเล็กเขายังต้องมีชีวิตไปนะเขาก็เขาก็อยู่ของเขาไปเขาก็ไม่เดือดร้อนเราปรับชีวิตของเราได้เราอย่าไปอยากให้มันกลับไปเหมือนอดีตกันแล้วกันเราต้องเริ่มต้นในปัจจุบันนี้ปัจจุบันเป็นยังไงก็อยู่กับมันไปทาได้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมจะดูอะไรก็ยังมองได้ยังยังเห็นอยู่เคลขวาเขเริ่มมีอะไร มันยังไม่เกิดก็อย่าไปกงังวลก่อนนะมันยังดูเห็นก็ดูไปนะไม่เห็นก็ดีเป็นกานเห็นแล้วบางทีไม่สบายใจสู้อย่าเห็นดีกว่าป <c oughs> วดร้อนนะไม่ได้หัวไม่ใช่มีตามันจะดีเสมอตลอดนะบางทีไม่มีมันกลับจะดีกว่านะ มองไม่เห็นอะไรสบายใจใครจะทําอะไรแล้วก็ไม่เดือดร้อนอ น, นะเออครับเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องมีตาเนี่่ยแตทําใจสงบแล้วมีความสุขได้ทําใจสงบก็ไม่ได้เพราะว่ามีภาระเยอะก็ต้องทิ้งมันแ่ะเมื่อมันทไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันแหะ จะหางแพแล้วแพแล้วรักเจ็บมันรักษาทางใจเดี๋ยสองสามเดือนก็หายเลยทางใจพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปสวนมนต์ไปเดี๋ยวก็หายใช้ทางนี้อลองทำดูสิเอาเปิดเอาธรรมะไปเปิดฟังก่อนให้ MP3 มันนั้นจะแล้วเราไปเปิดฟังเดิมแล้วมันไม่เป็นรู อ๋อมันต้องใช้ต้องฟังบ่อยๆต้องฟังบ่อยๆยังก็ฟังไม่มากต้องฟังเยอะๆเหมือนกับเวลาที่เราจะเหมือนกับเราจะตัดไม้เนี่ยไม่ใช่ฟันหนงเดียวมันจะขาดยังไงต้องฟันไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขาดเลยเอ่อจะเขินอยู่ไม่ได้ ถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวชาติหน้ามันก็กลับมาเจอปัญหานั้นก็กล้าๆแบบเดิมเองห้าร้อยชาติมันจะติดเป็นนิสัยไปเราจะไม่มีวันเจริญได้พอไปเจอปัญหาหน่อยก็ตัายเกิดมากี่รอบก็ไม่มีวันที่จะผุดโผล่ได้ก็เลยทำแบบนี้เป็นพวกบัวใต้น้ำเข้ใจที่ว่าบุญผมก็ทำไปเยอะ คุณไปดูงไงเงาไปเยอะบาปคุบาปคุ ก, คก็ทำไปเยอะคุณไม่คิดบ้างอะ่ะจะคิดแต่บุญอย่างเดียวคุณมียานอย่างทราบหรือว่าคุณทําบุญทําบาปมากน้อยเพียงไรคุ ณ, คณชอบก้าวข้างตัวเองคนเราชอบก้าข้างตัวเองนั่นแหะบุญทํานิดเดียวแต่คิดว่ า, าเาาท่ากองภูเขาแต่บาปเท่ากองภูเขากับที่ว่าแค่ผงธุลีเราจะคิดกันอย่างนี้ เราเอาความจริงมายืนยันดีกว่านี้แหละวิบากกรรมของเรามันปรากฏแล้วเนี่ยผลของบาปของเราให้คิดอย่างนี้เราอย่าไปคิดว่าเราทําบุญเยอะถ้าบุญเยอะมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกต้องคิดอย่างนี้นะทำต่ อ, อทำอไปเรื่อยอๆตอนนี้นความคิดของเขาเขาคิดว่าชาติ ท, ท, ที่เกิดมาในปัจจุบันนี้ล้วค่ะเขาเขามีกับความเขาไม่สร้างบาปให้ใครใช่แต่ชาติก่อนเนี่ยไอบาบาบุญสนขันชาตินี้มันจะไปส่งมวลชาติต่อไป<อ> ไอ้ที่ผลที่กําลังรับขณะนี้มันเป็นบาปบุญของชาติก่อนเข้าใจหรือเปลเราอะไรหลงผิดเข้าใจผิดกัน ค, คิดว่าทําบุญแทบตายมีแต่ข้อกรรมกระเพาะ เ, พเรากําลังรับข้อกรรมของชาติก่อนไม่ใช่ของวันนี้อของชาตินี้พระอาจารย์คะอย่างอย่างตัวดิฉันก็ไม่ทราบว่าชาติก่อนเราทําบาปหรืออะไรไว้แต่ใปัจจุบันนี้เราถ้าเราสะสมบุญไปเรื่อยๆบาปตรงนั้นจะตามไม่ทันไหมคะถ้าเยอะมันก็ตามไม่ทันอย่างคุลีมานไปถึงนิพพานมันก็จบ พยายามทำบุญให้มันมากกว่าบาปแล้วบาปมันยังจะไม่มีชั้นสัมภาระทำไปต่อไปอตอนนี้บุญที่เราต้องการมากที่สุดก็คือพุทโธเนี่ยทําตัวนี้ดูสินั่นแหละก็พุทโธเนี่แหละอพยายามพุทโธพุทโธไปเปิดไอเอ็มีสามฟังไปเรื่อยๆสลับกันแล้วก็เจ็บปวดเนี่ยปล่อยมันไปปล่อยมันไปอถ้ามันไม่ได้ก็เริ่มมีเรียกอะไอยากย้ายไมุมข้างขวาอ ตอนนี้กังวลก่าตัวอาข้างกว่าจะจะบอดอีกข้างนเลยก็เลยปุงสร้างไปหมดเลยใช่ก็อย่าไปกังวลสิอย่าไปคิดถึงมันมันจะเป็นอะไรก็เป็นตอนนี้มันยังไม่เป็นก็มันเป็นอย่างนี้ก็ให้รู้เท่า น, นี้ก็พออย่าไปปรุงแต่งอย่าไปขยายความให้มันมากเรื่องมันอาจจะดีขึ้นก็ได้มันอาจจะเร็วลงก็ได้ไม่มีอะไรใครรู้อนาคตแต่ว่าอนาคตมันคดไปคดมา เราอาจจะมองว่ามันลงแต่มันอาจจะขึ้นก็ได้เออเนั้นเราอย่าไปหลอกตัวเองเลยดูตามความเป็นจริงดีกว่าลองไปทำบุญเถอะลองไปปฏิบัติดู ใ, ใ จ, จเย็นๆไม่ใช่ฟังเทศกันเดียวจะบรรลุเหมือ น, นเราไม่ได้เป็นร ะ, ระดับนั้นนะ ลองเข้าไปเที่ยวโรงเรียนพระมหาไถ่พญาได้ครับ<ม>คนพิการท<ม>ั้งโรงเรียนเลยจะได้มีกําลัง <c oughs> ใจ <c oughs> ไม่ผมย่งมีภาระอีกเยอะทำอะไรไม่กล้าเป็นหมอตัวเองก็แย่นีมองแล้วมัน <c oughs> จะได้มีกําลังใจว่าเราดีกว่าเขาเยอะเลยเขายังสู้ได้เราทำไมจะสู้ไม่ได้อ่ถามมาคือลูกไม่แน่ใจว่าการแผ่เมตตาการอิศส่วนกุศลเรื่องต่างกันคนละเรื่อง เมตตาไม่ต้องมีกุศลไงเมตานี่แผ่ได้ตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้เรากําลังแผ่เมตตากันเราไม่ทะเลาะกันก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้ะเราไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่ทําร้ายกันนี่ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเอาข้าวของมาให้กันนี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาลส่วนอุทิศบุญกุศลนี่ต้องมีบุญถึงจะอุทิศได้ต้องไปใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วก็อุทิศไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว แต่คนเป็นก็อุทิศไม่ได้คนบุญคนเป็นก็ต้องให้ซื้อของไปให้เขาซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรไปให้เขาต้องให้ของก็เลยถึงจะได้ถึงจะได้บุญอย่างนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็คือให้ส่วแนบบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ปิดาบานดาในชาตินี้ก็ไม่ได้ก็ตาถ้ายังไม่ตายก็ไม่ได้<อ>ก็ไปซื้อเสื้อผ้าก็ใส่ซื้อขนมซื้ออาหารไปฝากเขาเวลาไปเยี่ยมเขา เรือไปรับใช้เขาเวลาเขาเดือดร้อนเขาต้องการให้เราอยู่ช่วยเขาทำอะไรถึงแม้เราจะมีธุระอย่างอืง่นเราก็ตัดมันไปทำเพื่อเขาเรานี้ก็จะได้เขาก็จะได้ประโยชน์เราก็จะได้บุญคนคนเป็นนี่เราต้องทำให้เขาคนตายนั้ น, น, นเราทาให้เขาไม่ได้เราถึงต้องส่งบุญแห้เขา หมาควาว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหมายถึงาอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถจะทําให้คนเป็นได้ก็ส่งเงินไปก็ได้โอนเงินไปก็ได้งงไไดแล้วจ้างคนอื่นทําแทนก็ได้เออโยมโยมพิจารณาการ3 2มนะคะแล้วยกมเดินเดิอนจงพิ จ, จารณาการ32แล้วก็เห็นตัวเองเป็น เริ่มเน่าเห็นต uh, ัวเองไม่มีหนังแล้เริ่มเห็นเป็นเนื้อแล้วก็เป็นหนองแง่ยมต้องทำอะไรต่อกันก็พิจารณาต่อไปจนมันเป็นดินเป็นก็เวลาตายเข้าเราไปทําอะไร่ะก็ก็ไปเผาใช่ไหมเผาแล้วมากลายเป็นขี้เถ้าก็พิจารณาว่าร่างกายอาการสามสิบสองนี้ในที่สุดเดียวมันก็เหลือแต่เศษกระดูกกับขี้เถ้านี่คือผลลัพธ์ของของร่างกายของเราคือคำตอบสุดท้ายของเราเราจะไปยึดไปติดกันยังไงก็เปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้ ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้พิจารณาร่างกายเราส่วนร่างกายคนอื่นก็จะทำให้เราปล่อยวางร่างกายของคนอื่นได้ถ้าเห็นว่าไม่สวยไม่งามเราก็จะได้ไม่มีความรู้สึกอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาแล้วถ้าเวลาเราไปรักเขาเวลาเขาตายเราก็จะไม่ร้องโหมร้องไห้เพราะเรารู้ว่านี่คือทางเดินของเขาทางเดินของร่างกายของเขาแต่ตัวเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ตัวเขาคือใจนี้ เขาเป็นคนขับร่างกายนี้เขาไม่ได้เป็นร่างกายเขาก็ไปรับผลบุญผลบาปของเขาต่อไปถ้าเราช่วยเขาได้ทำบุญอุทิศไปให้เขาได้ก็ทำไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่มีความเศร้าเศร้าโศกเสียใจกับการพัดพากจากกันของร่างกายของเราหรือของคนอื่นแล้วขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็จะไม่มีความหลงหลาขางใครอยากมีความ ร่วมหลับนอนอะไรกับเขาเพราะถ้าเราเห็นตลอดเวลาเราก็รู้ว่ามันกําลังไปร่วมหลับนอนกับโครงกระดูกดีๆนี่ใช่หไหมแต่มองไม่เห็นกันลหลงไหลข้างคล้ายกัน <c oughs> อย่างเช่นเวลาชนะรางกายการสามสิบสองนะค่ะยมยมยมก็จะเอาตัวเองกับลูกชายแล้วยมก็จะขอทีละชิ้นของของยมและของลูกชายทางของเราทั้งของคนอื่น เอาของคนที่เรารักสิเชีย ล, ลูกชายเราไม่เราไม่มีการมาลมเอากับคนที่เราเ ค, <ต>เคยมีการมารมนีุ้ไม่มีอย่างนั้นแล้วจะไ ป, ไปรู้ในงานไม่มีลอง <laughs> ลองไปคิดถึงดาราหน้าตาดีๆ <laughs> ต้องทดสอบดูว่ามีจริงก็เปล่าถ้ามีจะได้จะได้ถลกหนังเขาออกมามดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกของเขา บางทีมันซ่อนอยู่ตัวนี้มันร้ายหลวงตาบอกบางทีเราต้องนึกถึงภาพสวยสวยงา ม, งามแล้วดูว่ามันจะโผล่มาหรือเปล่าถ้าโผล่มาเราจะได้รู้ว่ามันยังไม่ตาย <reject. S 2> เราก็จะได้เอาภาพไม่สวยไม่งามมาฆ่ามันเข้า <quieren S 2> ใจน ะ, <gi> ะมีกายหนูจะถามต่อได้ไหมคะคือเ э มื่อปีห้าหกอะคะ่ะมีพระธาุเสด็จมาที่ห้อง 12เมตรแต่ตอนแรกหนูก็ไม่ทราบว่าคืออะไรก็เรียนถามครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเป็นพระทาตปฏิหารก็ไม่ได้ไปคล่องตอนแรกมีคล่องนิดนึงว่าอเกิดจากอะไรยังไงก็เลยเหมือนไปศึกษาหนังสือนิดนึง่ะคะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนปี58มาอีกเมตรหนึ่งแต่หลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้คล่องอะไรเพราะตอนแรกก็ติดว่าเราจะต้องบูชายังไงอะไรอย่างเงี้ยะเกิดจากสาเหตุอะไร มันจะมาไงเราไม่รู้หรอกขอให้รู้ว่ามันมาแล้วเราจะทำงานกับมันดีนะมันมาแล้วมันทำให้เราดีขึ้นหรือเปล่ากิเลสเราน้อยลงหรือเปล่าถ้าไม่น้อยลงก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าน้อยลงก็ดีแต่มันไม่มีหรอกถ้ามันมาแล้วกิเลสหายไปหมดได้ก็ดีเลยนิ่งมันจะมาไม่มานี่มันไม่ไม่มีสาระประโยชน์ในเรื่องของการปฏิบัติเัยนมาก็ให้รู้ว่ามัน แล้วระวังไว้เวลามันไปก็อย่าให้มันทุกข์ก็แล้วกันเพราะของมาได้มันก็ไปได้งั้นให้รู้แค่นี้ก็พอว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวแล้วมันไม่มีประโยชน์ในการที่จะทําให้กิเลส ข, ของเราหายไปงั้นมีไม่มีก็เท่าเดิมถ้าพูดในเชิงปฏิบัติท่านั้นเองอ่า ยีสต์เหมือนกับขนมปังนะคะว่ามียีสต์แล้วมันเหมือนกับมีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเขามาคล้องว่าไอเราผิดศีลข้อหนึ่งอ๋อไม่ไม่มีมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนต้นไม้แต่ไม่มีดวงวิญญาณนีไม่ถือว่าเป็นสัตว์สัตว์ต้องมีดวงวิญญาณแล้วต้นไม้ใบหญ้ามันก็มีชีวิตแต่มันไม่เป็นสัตว์แต่สมัยโบราณเขาก็เชื่อว่ามีชีวิตเขาถึงห้ามภาคไม่ให้ไปภาคใบเขียวไม่ให้ไปตัดใบไม้ไม่ให้ไปตัดต้นไม้ เพราะเขาคิดว่าเป็นการฆ่าสัตว์แต่ความจริงไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวสัตว์ก็คือตัววิญญาณอ่ามีใครถามไหมไม่มีจะได้ให้ทางบ้านอ่ทางบ้านคำถามจากคุณรัดดาแม่หนูชอบเล่นการพ น, นันค่ะซื้อหวยงวดละเยอะเวลาถูกก็อารมณ์ดีเวลาไม่ถูกก็ลมเสียเป็นทุกข์และชอบกระแทกใส่ลูกเวลาอยู่ด้วยกัน ก็หุนหิดใส่ลูกคนไหนก็ไม่อยากอยู่ใกล้พอร้อนใจถ้าเราหุดหิดไม่ชอบใจแต่ไม่ได้ว่าอะไรแม่จะบาปไหมคะไม่บาปหรอกแม่เป็นยังไงก็่อวแม่เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาไม่เราไม่มีหน้าที่ไปมีปฏิกิริยาอะไรกับเขาเราพยายามทําใจเฉยเฉยคิดว่าเป็นกรรมของแม่ไปก็แล้วกัน <c oughs> ที่ไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไม่ให้เล่นการพนัน พอเวลาได้ก็ดีใจเวลาเสียก็จะเสียใจคำ ถ, ถามจากคุณบุตรที่ฉันภาวานาโดยหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกโททำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเงียบหายไปทั้งหมดมารู้สึกตัวอีกทีจำไม่ได้ว่าตัวหายไปไหนถ้าอาจารย์โปรดอธิบายและแนะนำด้วยเจ้าค่ะถ้าไม่รู้อะไรก็แสดงว่าหลับนะ <c oughs> ถ้าสงบมันนี่มันจะรู้ตลอดเวลาว่าตอนนี้เราสงบแล้ว แล้วมีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจเกิดขึ้นถึ่เรียกว่าสงบคำถามจากคุณเอกเวลาปฏิบัติแล้วเกิดมองเห็นอสุภะจากร่างคนอื่นแล้วควรปฏิบัติอย่างไรต่อจากนี้ก็ภาพนั้นมานคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆให้มันจดจำได้อยู่ในใจตลอดเวลาเพราะมันเหมือนน้าดับไฟไงคนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนี่เขามาักจะต้องมีการเตรียมน้าไว พอเวลาเกิดไฟจะได้มีน้ําดับไฟได้ถ้าไม่เตรียมน้ำไว้เดี๋ยวเวลาไฟลุกก็จะดับไฟไม่ได้ไฟก็คือตันหาความอยากเช่นกามารมณ์การมาราคะถ้าเราไม่มีอสุภะอยู่ในใจเราเลยพอถึงเวลามันจะไม่มีอะไรมาดับกามารมณ์ได้แต่ถ้าเรามีอสุภะสะสมไว้เยอะจําได้เหมือนกับเราท่องสูตรคูนี้ถ้าเราท่องสูตรคูนได้เวลาที่เราจะ คิดเลขคำนวณอะไรมันก็ก็สามารถที่จะทาได้เลยไม่ต้องไปเปิดหนังสือดูอันใดถ้าเรามีอสุภะอยู่ในใจของเราพอเราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็เอาอสุภะนี่มาดับมันได้ทันทีดงนั้นการเห็นเพียงครัง้งสองครั้งนี้ยังไม่พอเป็นจุดเริ่มต้นเห็นลจะเห็นในสมาธิก็ได้สมายนี้ไปดูที่เขาผ่าศพก็ได้ ไปเปิดหนังสือดูก็ได้ไปดูภาพที่เขาถ่ายต่างๆมาดูมันก็เหมือนกันดูแล้วให้มาเจริญให้มาดูอยู่เรื่อยๆให้มันสังใจให้มันอยู่ในใจเวลาที่เราต้องการนึกถึงภาพเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมา ท, าทันทีเวลาเราไปเกิดการบรลมขึ้นมาก็ดึงมันออกมาได้ ท, ทันทีพอเห็นภาพไม่สวยงามพบการบรมก็หายไป ท, ทันทีนี่คือเรื่องของการเห็นอสุภะเห็นไม่ใช่เห็นครั้งเดียว เห็นแล้วต้องเอามาเจริญต่อตลอดเวลาเลยต้องไม่เผลอเลยเพราะเวลาเผลอปับ๊บเดี๋ยวมันด้เห็นภาพสวยงามขึ้นมาทันทีเพราอเห็นภาพสวยงามก็ต้องเอาภาพไม่สวยงามขึ้นมาลบมันให้ได้ทันทีถ้าลบไม่ได้ก็แพ้มันแสดงว่าเรายังเจริญไม่พอกําลังไม่พอคําถามจากคุณสุตมา เวลานั่งสมาธิจะใช้บริกรรมพุโทโธสลับกับพิจารณาอาการ32ได้ไหมเจ้าคะหรือต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งขออุบายด้วยเจ้าคะ่ะเวลานั่งสมาธิควรจะให้มีอารมณ์เดียวถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสลับอย่าไปเปลี่ยนเหยนใจมันจะไม่นิ่งเหมืนขี่ม้าแล้วก็กระโดดเปลี่ย น, ยนตัวนี้ไปขึ้นอีกตัวนี้ก็ไปไม่ถึงที่สักที เอาตัวเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวคําถามจากคุณวิรลักษ์การที่เราน้อมจิตไปเพื่อพิจารณาว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาคือเราต้องเห็นว่าจิตมีเกิดดับมีการเคลื่อนไหวการเห็นด้วยปัญญาจะสังเกตอย่างไรคะบางครั้งกลัวว่าจะเป็นการปรุงแต่งไปเองเกิดสำหรับพวกที่เพิ่งปฏิบัตินี่อยเพิ่งไปดูจิตเลยเพราะว่ามันข้ามขั้นไป มันทําไม่ได้หรอกดูไปก็ทําอะไรมันไม่ได้เพราะมันแยบยนต์กว่านึกซึ้งกว่ามากให้เรามาดูร่างกายก่อนให้เรามาดูสมบัติเข้าของเงินทองก่อนให้เราปล่อยวางของภายนอกก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปปล่อยข้างในได้เราต้องปล่อยของข้างนอกก่อนถ้าเราไม่ปล่อยข้างนอกเราเข้าไปไม่ได้แล้วเราดูจากข้างนอกก็จะไปทําอะไรไม่ได้ตอนนี้เรายังปล่อยเรายังติดอยู่กับลาบยศสันรเสรนโศกอยู่หรือเปล่า ถ้าเราติดเราก็ต้องปล่อยตัวนี้ก่อนเรายังหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังหาอยู่เราต้องหยุดการหาเงินหาทองก่อนหาเงินได้เฉพาะมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่หาเงินมาเพื่อที่จะไปซื้อของต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายอยู่เราต้องมาหยุดตัวนี้ก่อนแล้วเราค่อยเข้ามาสู่ขั้นที่สองมาปล่อยวางร่างกายก่อน พอปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้แล้วเราถึงเข้าไปที่ตัวจิตอีกทีนึงงนั้นดูตัวดูจิตตัวนี้ก็ดูไปมันก็หลอกเราเราให้ดูตัวจิตแล้วมันก็หลอกให้เราไปหาเงินหาทองกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็ยังมีความโลภอยู่อย่างั้นงั้นต้องหยุดตัวที่อยู่ข้างนอกก่อนถึงจะเข้าไปหาตัวข้างในได้ตัวจิตมันอยู่ข้างในมันฉลาดมันหลอกให้เราไปข้างนอกแล้วมันก็หลอกให้มันเราดูข้างใน เวลาดูให้ดูข้างในแต่เวลาไปหาเงินมันไม่ไให้ดูเลยมันให้ไปหาเลยเวลาไปหาความสุขไปเที่ยวที่ไหนหมกไปเลยอย่างเงี้ยจิตเนี่ยกิเลสมันฉลาดอย่งนั้นอย่าเพิ่งมาดูจิตเลยคนที่จะดูจิตจริงๆได้แล้วแล้วแก้ปัญหาของจิตได้ต้องเป็นพระอนาคามีแล้วพระระยะ บ, บุคคลขั้นที่สามแล้วท่านปล่อยวางราบยศสรรเสริญสุขได้แล้วท่านปล่อยวางร่างกายได้แล้วท่านไม่มีการมารมกับร่างกายแล้ว น, นั้นนะ่ะท่านถึงจะถึงจะมาแก้ปัญหาที่จิตได้คาถามจากคุณหนิงจิตกับความรู้สึกคนละตัวกันมีความรู้สึกแบบนี้ถูกไหมคะคือจิตมันมีหลายหลยหลายอาการไงอาการของจิตมีสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสังขารก็คือความคิดปรุงแต่ง สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้วิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็มีตัวรู้ตัวจิตจริงๆถ้าเวลาทุกอย่างสงบแล้วก็เหลือแต่ตัวรู้รู้เฉยๆตัวเดียวนี่คือเรื่องของจิตมันมีอยู่หลายอาการด้วยกันคำถามจากคุณเมทินีเวลาที่เราถวายอาหารเช้าถวายอาหารเพลงการถวายน้ปปาและการใส่บาตรพระบุญกุศลที่เกิดเหมือน เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเรือกทานก็จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วก็มีบุญคือทรัพย์ภายในติดตัวไปเวลาไปเกิดก็จะได้ไปเป็นเทวดาถ้าไม่ไปทาบาปถ้าไปทำบาปก็จะไม่ไม่ได้ไปเป็นเทวดาต้องไปเป็นต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต คำถามจากคุณโคลากระผมสงสัยว่าจิตกับสมองแยกออกจากกันใช่ไหมครับเพราะกระผมเคยเห็นพระสายปฏิบัติที่มีชื่อเสียงลูกหนึ่งท่านป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมความจำหายไปจนกระทั่งมรณภาพความจำหายไปจนกระทั่งมรณภาพแสดงว่าจิตเราไม่สามารถคุมสมองได้สมองก็ถือว่าเป็นธาตุขันหนึ่งใช่ไหมครับจึงต้องเสื่อมไปตามธรรมชาติ ใช่ก <mile> ็สมองก็เป็นเหมือนชิ้นส่วนของรถยนต์ไงอาจจะเป็นเครื่องยนต์อย่างนี้ส่วนจิตก็คือคนขับรถคนขับรถกับรถยนต์นี้มันคนต่อส่วนกันเครื่องเสียคนจิตบางทีก็ซ่อมได้บางทีก็ซ่อมไม่ได้ร่างกายก็ไปรถก็ไปซ่อมได้บางทีก็ซ่อมไม่ได้ร่างกายก็เหมือนกันสมองบางทีมันเสียไปซ่อมบางทีก็ซ่อมได้บางทีก็ซ่อมไม่ได้ แต่จิตก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับสมองเป็นคนละเรื่องกันคนละคนกันคนละอย่างกันคําถามจากคุณยอดเวลาผมนั่งสมาธิได้ยินเสียงชี้พจนเต้นที่หูทั้งสองข้างแบบนี้ผิดหรือถูกอย่างไรถ้าถูกควรทําอย่างไรต่อไปครับคือไม่ต้องไปสนใจให้สนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจถ้าอยู่กับพุทธถ้าใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อย ถ้าอยู่กับลมก็ให้อยู่กับลมไปอย่าไปสนใจกับเสียงที่อะไรที่มาให้เรารับรู้ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองคำถามจากคุณไอริสสงสัยว่าพระท่านนั่งสมาธินา น, า น, านหลายชั่วโมงไม่ขยับตัวท่านไม่ปวดเมื่อยหรือเจ้าคะเวลาจิตสงบมันจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเหมือนเวลาหมอฉีดยาชาให้เวลาถอนฟันนี่ พอมียาชาแล้วเวลาหมอถอนก็ไม่รู้สึกอะไรเวลาจิตสงบก็เหมือนอย่างนั้นจะไม่รู้จะไม่รู้สึกอะไรกับร่างกายเพราะบางทีร่างกายหายไปเลยถ้าไม่หายถึงแม้จะรู้ความเจ็บก็ความเจ็บก็จะไม่รุนแรงจะจะอยู่กับมันได้จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายหล่อนใช่ไหม